วันนี้ก็เป็นวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์วันนี้เราจำได้เพราะเป็นวันที่เราบวดอ๋อสกักกาสิบแปดวันที่สิเก้าุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบแปดรวสิบแปดเจนานสิบเจ็ปีวนที่วัดบัวนี่เย ก็ก <test> ่อนก่อนที่จะบวชก็ได้ราออกจากงานที่เมื่ปีทั้วันธันวาคม30 30 31ธันวาคม2516ทำงานได้ประมาณ6เดือนระหว่างทำงานตอนนั <t> ้นก็ได้หนังสือธรรมะมาก็เลยได้ศึกษาธรรมะเป็นครั้งแรกในชีวิต คือสคัญทางวัตถุภเดือนนี้ช่วงกรกฎาหรือเสือหาที่ได้หนักเสือเรื่องก็เลยสนใจก็เสือไปกรกฎาเสือมาเพิ่มจนได้นักเสือมาสถิติฐานมาก็เลยได้แนวทางปฏิบัติเลยลองปฏิบัติตามในพระสถิติฐาน ข้แรกท่านสอนให้นั่งสมาธิให้ไปหาที่สงบตามตางคนไม้ท่านสอนทอดทิศมาแล้วก็ให้นั่งทัาสมาดับตาตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออดูลมหายใจเข้าออกไปเข้าออมาแล้วก็ลองปฏิบัติตาม แต่ตอนต้นก็ยังไม่ได้ปฏิบัติอ่านอยู่สักสองสามเดืนแล้วก็เกิดเจะใจขึ้นมาว่าไอ้เรายังไม่ได้ปฏิบัติกท็ทีมีแต่อ่านอยู่ก็เลยอ่ะก็เลยนัน่งตอนนั้นเนี่ยนั่งเราเนียนั่งดูตอนต้นก็นั่งไปก็มันก็ฟุ้งร้านอยู่ก็เลยคิดถึงการคิดถึง พระสูนที่ได้อ่านก็เลยท่องท่องประศูนไปไวยเวลาเวลานั่งสมาธิถ้ามันฟุ้งซ่านก็ใช้การท่องพระศูนี้ไปก่อนท่องไปก็ประมาณสักสี่สิบนาทีท่องทอง เ, เสร็จคบเสร็จก็รู้สึกว่าหายฟุ้งซ่านก็ยังดูลงต่อไปได้จิตก็ค่อยสงบลงไป ในช่วงแรกๆนั่งก็นั่งแบบนี้ก่อนก่อนที่จะดูลมก็จะท่องจะท่องสูตรมาสติปัญฐานสูตรนีนเปนก่อนแล้วก็ดูลมต่อแล้วเจ็ก็จะสงบเย็นสบายแต่ไม่ถึงกับลงลึกแต่ก็ไม่พุ้งทราบจะลงลึกก็ตอนที่นั่งไปแล้วมันปวดเจ็บห น, นั้นก็ไม่ทราบ มันนึกขึ้นมาเว่าต้องบริกรรมก็เลยบริกรรมอันนี้จัางอันนีังไปบริกรรมไปไม่นานมันก็มันก็ความจิดก็หายไปจิตก็นิ่งสงบมันก็เลยเกิดความมหาสัจใจขึ้นมาว่าจิตของเรามันเปลี่ยนไปได้อย่างนี้โดยการบริกรรมนี้เอง เวลามันเจ็บแล้วมันจะทรมานมันจะอยากหนีจากความเจ็บอยากให้ความเจ็บหายไปอพราะนั้นถ้าเราไม่มีอะไรควบคุมมันมันก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ก็เลยต้องใช้การบริกรรมพอบริกรรมไปบริกรรมไปเดียวเดียวมันก็หายไปเลยความความเจ็บจิตเหมือนกันเนี่ยสมองสบายก็เลยทําให้ เกิดมีฉันทะวิริยะที่อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วก็ได้ระหว่างที่ทํางาน ก, ก็สังเกตเห็นว่าเวลาทํา ง, งานนใจจะวุ่นวายพอสมควรใจจะเครียดพอสมควรกับเรื่องงานก็เลยเห็นว่ามันการทํา ง, งานกับการปฏิบัตินี้มันไปด้วยกันไม่ได้ก็เลยตัดสินใจ ไปบอกเจ้าของที่ทํางานของเขาว่าจะขอลาออกจากงานภายในสิ้นปีปลาเดือนหน้าวันศุกร์ตนั้นจะเป็นเดือนพฤศจิกาเราไปบอกเขาล่วงหน้าปลาเดือนอยู่ว่าจจะออกจากงานสามสิบเอ็ดธันวาคมพอออกงานวันที่หนึ่งก็เริ่มต้นอยู่บ้านทั้ตัวเองอยู่บ้านตอนนั้นอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วย เป็นห้องแถวอยู่ในตลาดนาเกลนก็จะใช้เวลาอยู่ในบ้านการ้าเต็มต้นกาก็จะนั่งสมาธิท่องขาฐมาะสุไปก่อนแล้วก็ดูวหายใจเข้าออกจากนั้นก็ลุกขึ้นมาน้างน้า้งตาทั้งติดอย่างอื่นลงมาเดินจงกรมอ่านหนังสือธรรมะสลับกับนั่งสมาธิพอถึงเวลาป็น ตอนนั้นเราเริ่มกินอาหารมันละมอวันละทั้งเลยแล้วก็ถือศีลแปดไปไม่ ไ, มไปไหนไม่ไปหาความสุกจากรู้เสียงกลิ่นลดลงไปแต่ก็ไม่เคยไปไ ป, ไปวัดอาศัยหนังสือที่ได้อ่านมาปฏิบัติตามหนังสือ <c oughs> ก็พยายามปฏิบัติอยู่อย่างนั้นอยู่ได้ประมาณปีนึง ก็ตั้งใจคิดว่าจะจะลองดูอยู่สักปีลองปฏิบัติอยู่สักปีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงจะไปได้ถึงไหนเก็เวลาปีหนึ่งก็ต้องถามตัวเองว่าจะจะเอาอยัางไงต่อไปเพราะว่าสเสบียงคือเงินที่มีไว้สำหรับใช้ในการใช้จ่ายค่าอาหารค่าใช้จ่ายมันก็จะหมด ถ้าอยากจะปฏิบัติตอก็ต้องไปบวชเพราะว่าการบวช น, นี้จะได้มีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่ถ้าถ้าไม่บวชก็จะไม่ได้ปฏิบัติก็ต้องไปทำงานใดหนึ่งก็ไม่อยากจะบวชมันยังกเลสมัยนยังหวงความความสุขทางตาหูจมูก น, น, นิ้กายความ กานเป็นอิสระภาพที่จะไปไหนมาไหนได้เพราะคิดน่าเวลาบุชนี่เหมือนกับถูกจับเข้าขังอยู่ในกรงเพราะยังยังก้ากล้ากลัวๆอยู่เพราะนั้นก็ทํรมานใจอยู่พอสมควรตอนที่ยังตัดสินใจไม่ได้พอตัดสินใจได้แล้วก็โลกออกไปเลยเบาใจเลยนะบวชก็บวช ก็ไปไปกราบพระที่อยู่วัดใกล้บ้านท่านเป็นวัดที่ถือว่าเป็นวัดที่มีความเคลื่อนคลในพระวิ น, นัย เ, เป็นวัดที่ชาวบ้านเขานับถือเรื่องใสวัดช่องลมเงาเ ก, ก, กลือไปกราบท่านถ้าเจ้าว่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ไปเล่าว่าอยากจะบวชแต่ไม่อยากที่จะ ทำกิจกรรมที่พระทั่วไปทํากันคือที่เห็นก็คือจะเป็นพิธีกรรมต่างๆอยากจะบวชเพื่อภาวนาเพราะว่าตอนนี้กำลังปฏิบัติํามแาวสติปัฏฐานสี่อยู่ท่านก็บอกความจริงว่าว่าทงท่านเป็นวัดที่มีพิธีกรรมมีเมนมีรักกิจนิมุล ถ้าบวชอยู่กับท่านก็ต้องอยู่จำพรรษาอยู่กับท่านห้ารรษาตามพระธรรมวินัยท่านแนะนำว่าถ้าอยากจะบวดแล้วไปภาวนาท่านจะแนะนาว่าให้ไปบวชกับสมเด็จพระญาณสังวรที่วัดบอยท่านจะอนุ ญ, ญาตถ้าอยากจะไปภาวนาไปปฏิบัติท่านจะอนุ ญ, ญาตให้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่มัน่น เป็นครั้งแานที่เคยได้ยินชื่อของงหลวงปู่มาเพราะว่าตอนที่ปฏิบัตินั้นก็อาศัยหนังสือที่ได้มาจากประเทศศรีอังการเป็นหนังสือที่คขาคัดออกมาจากพุทธสูตรการนิมมสานิกก็เลยไม่ทราบว่ามีพาะปฏิบัติอยู่ในประเทศไทยที่ไหนบ้างก็เป็นครั้งแานที่ได้ยินก็เลยมุ่งไปที่วัดหลวงวัดม่เยอะเล ก็ไปก็ไม่รู้จักสมเด็จสังฆ์ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จพรสังฆราช์ท่านเป็นสมเด็จพระยาและสังวรแต่ทราบว่าที่นั่นมีพระชาวต่างประเทศทำนักบีก็เลยไปหาพระชาวต่างประเทศก็ได้พบพระรูปหนึ่งท่านเป็นชาวจีท่านบวชมาได้สิบพรรษาก็ไปสัญนาธรรมกับท่านเล่าให้ท่านฟัง คุยกันภาษาอังกฤษท่านฟังแล้วท่านก็อาษา ส, สมัคว่าจะไปกราบทูลสําเร็จพระญาณให้เรื่องที่จะอยขอบวดพอท่านไปกราบทูลเสร็จสําเร็จก็รับสั่งให้ไปไปเฝ้าไปเฝ้าท่านก็ถามคำสองคําท่านถามว่ารู้จักใครในวันนี้ไหมบอกไม่รู้จักใครทั้งนั้น เพิ่งเท่ามาครับว่าท่านมาถามว่ามีพ่อมีแม่หรือเปล่าบอกมีท่านก็บอกว่าพามาพบหน่อยออก็เลยนัดวันพบแล้วก็กลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ก็เลยก็เให้พามามากราบท่านท่านเลยอีกครั้งนึงท่านก็กำหนดวันหวุให้ แต่วนันที่สิบ้านี้ท่านก็ให้เราบวชคู่กับคนในคนที่เขาบวช เ, เขาบวชชั่วกลาวงยวชประมาณสิบห้าวันเขาก็เพือจบมาจากสาวัจจบเป็นยาโทมาเป็นลูกในผลเวลาบวชเขาก็มีแขงมาเยอะเป็นร้อยคนแต่เรามีแค่สี่คน มีพ่อมีแม่มีน้องสาวแล้วก็ลูพี่น้องคนนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้บอกใครเราทําอะไรทําเงียบๆไม่ได้บอกใครตอนที่เราเราออกจากงานแล้วก็ไม่ได้บอกใครตอนที่เราอยู่บ้านปฏิบัติธรรมของเราคนเดียวเราก็ไม่ได้บอกใครหายาตรงเลยเลยเพราะว่เา <c oughs> เงิ น, น, นู้จะต้องไปบอกใครทำไมัไม่มีเหตุผลใดจะต้องไปบอกใคร มันเรื่องของเราไม่ทช่เรื่องของคนอื่นก็ดียางพ่อบุญแล้วก็ไม่มีไทยไปตามหรือยุ่ง้ามีคนหนึงเขารู้เขามียริษัทเขาต้องการให้เราไปทางานเขาก็ส่งตัเลขมามาตามให้ไปทางานเราบอกจะบ้าแล้วบุญกันแล้วจะไปทางานได้แล้วก็เลย พออยู่ที่ว่ดบางวางก็ทราบ ว, ว่าวิธีที่จะไปวัดต่ามันตัตอนนั้นก็ไม่รู้จักวัดป่ามันตัดแต่พอดีมีท้าต่างประเทศเขาจะไปที่นั่ น, น, นตอนนั้นตอนนั้นอัตนตมายังไม่ได้ดุแต่งวงเป็นหน้าอย่ก็เขาบอกว่าเวลาจะไปวัดต่ามันตัดนี้ต้องเขียนจดหมายไปขออนุ ญ, ญาตจากท่านปัญญาก่อนท่านปัญญาท่านเป็นท้าชาวอังกฤษชาวต่างประเทศพวกชาวต่างประเทศก็จะติดต่อ ทางวันผ่านท่านปัญญาแล้วท่านปัญญาก็จะไปกับเรียนหลงตาอีทีนึงหลตาท่ า, าทนอาจารยา์อนุญาตเราก็เลยเขียนหนังสือไปหาท่านอาจารยา์ปัญญาก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษไปท่านก็เลยไม่รู้ว่าเราเป็นคนชาติไหนเราเขียนชื่ออภิชาตโต จากนั้นก็ไปกราบเรียนหลางตาหลวงตาก็บอาไปได้พอถึงมันเราก็ไปคือบวชวันที่สิบเก้าแล้วก็อยู่ที่วัดบวรประมาณกเดือนครึ่งประมาณต้นเดือนเมษาจําได้ว่าก่อนวันจา ก, กีนี้จะขึ้นไปขึ้นไป น, นั่งรถไฟขึ้นไปทางรถไฟออกตอนเย็นไปถึงนั่นก็เช้ามืดทางวัดก็เมตตามีญาติโยมที่อยู่ประทาว ที่อยู่นอนมีต้องนั่บบับไปไปส่งไปรับไปส่งที่วัดเลยก็พอดีใ ก, นนกล้จะออกพิธบาหล้งตาแล้วก็เพงลงมาก็เลยไปกราบท่านท่านก็พูดว่าอยู่ไม่ได้นะัอยู่แล้วชั่วคราวติตไม่ว่างเสแล้วท่านก็ไม่พูดอะไร ต้องรีบเตรียมตัวเป็นทบาทเ อ, อกเป็นทบาทนะก็อยู่ก็อยู่ไปเรื่อยๆจากระท่านประมาณสักเดือนหนึ่งก่อนจะเข้าพรรษ า, านะท่านก็จะบอกพระที่มาสมัครจะขออยู่นะว่าองคไหนอยู่ได้บ้างองไหนอยู่ไม่ได้บ้พ <c oughs> อ, นะอมาถึงเราท่านก็บอกว่าท่านจําได้ไหมว่าวันที่ท่านมาเนี่ยเราตกลงกันแล้วว่าท่านอยู่ไม่ได้ ท่านอยู่แล้วโชวข่าวนะราะฉะนั้นท่านอยู่ไม่ได้นะคุณพูดอย่างนั้นแล้วท่านก็หนังตาก็ไม่ได้พูดอะไรตอนนั้นกําลังจะประชุมตอนเย็นท่านเรียกพระมาประชุมตอนนั้นยังยังไม่ได้พูดธรรมะท่านกำพูดเรื่องเรื่องพระ ท, ที่จะอยู่ยึดอยู่ได้ยึดไม่ได้ไปก่อนพอทั้งบอกว่าท่านอยู่ไม่ได้นะเพราะเราตกลงกนะันไว้ Vera, แล้วอย่งนั้นแล้วเาจะนท่นประเทศพูดธรรมะไปตามปกติ tales. ประมาณเกือบสองชั่วโมงก็จะเริมการลุกขึ้นมากราบพระพร้อมๆกันท่านก็พูดมาพระที่ท่านที่มาจากวัดบรวนท่านจะอยู่ก็อยู่นะก็เลยอยู่อยู่มาอยู่ที่นั่นก็มีกติกาว่าถ้าอยู่แล้วก็ท่านยังไม่ได้ห้าพรรษาก็ไม่ให้ไปไหนนอกจากไา้มีเหตุคอขาดบาดตาย ตุลาจำเป็นที่จะต้องไปแต่ถ้าอยากจะขอลาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปทํานูน่นทํานี่ท่านไมให้ไปท่านจะให้อยู่้ะอยู่ให้ได้ห้าห้าพรรษาก่อนแล้วถ้าได้ห้าพรรษาแล้วท่านยังเห็นว่าไม่ได้เรื่องยังไม่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ท่านจะขอจะขอลาไปเที่ยงดงท่านก็จะไม่ให้ไปท่านจะต้องให้ท่านอนุ ญ, ญาตก่อนว่าเออท่านสมควรไปได้แล้วนะ นี้นก็จะเดินไปก็อยู่จนได้ห้ารรษาเพื่อพอดี พ, อพอ็ขอขอกราบลาท่านมาเยื่ยมบ้านท่นานกราบในญาตให้กลับมาก็มาพักได้ประมาณทุกสองอาทิตย้วก็กลับตามที่จะกลับก็แวะไปภาวนาที่เขื่อนจุฬาพอยะฉะนั้นกน็นยีเป็นเดือนเมษา อยู่ได้ประมาณตั้งที่นั่นก็ได้ข่าวว่าเครื่องบินตกปีสองสามเครื่องบินกุบาจะาบินพาดูทั้งทั้งวันแล้วะก็เลยอยากจะกลับไปวัดเพื่อจะได้ไปไม่ทราบว่าเขาต้องทำอะไรคือต้องต่แต่พอไปถึงที่วัดจริงๆท่านก็มาให้พระเองทำอะไรต้องารบ้านเองทนอนะไ างานข้างนอกนี่มันเป็นงานใหญกงานข้างในนี่นเป็นงานละเอียดถ้าทํางานข้างในแล้วออกไปทํางานข้างนอกมันก็จะทําห้งานข้างในเสียได้เพาะเลยแม่พระเนี่ยไปมีแต่ท่านกับพรนะเทระลูกสองรูกที่ท่านไปดูแลเรื่องงานของครูบาอาจารย์ที่มอญาพัน นี่ก็เป็นเหตุที่ว่าไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติหานก็ไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับงานต่างๆเลตั้งแต่ได้หนังสือธรรมะมาานี่นก็นังสือมันก็บอกให้เข้าข้างในอ่นังสือมาตลอดการปฏิบัติมันก็เข้าข้างในอยู่ตลอด มันเลยไม่มีมันไม่มีเหตุไม่มีอะไรที่จะดึงเราไปข้างนอกแล้วเราก็เป็นคนนอกาศาสนาด้วยเราไม่ได้อยู่ในบ้านที่มีมีคนที่นับถือาศาสนาที่ไปวัาเป็นประจำไปทนประกอบพิธีกรรมต่างๆที่งานดุญต่างๆก็ไม่เคยทำมาก่อนมันก็เลยไม่มีอของผูกนี้ติดอยู่ในใจมันไม่มีความที่ผูกพันกับเรื่อง พิธีทำบุญต่างๆพอมาสัมผัสรับรู้กับศาสนาก็มารู้เรื่องการภาวนาเลยมันก็เลยเข้าไปอยู่ที่ไม่ต้องผ่านเรื่องพิธีกรรมเรื่องการทำบุญต่างๆมันก็เลยไม่เคยไปไหนเลยเพราะมันเริ่มเริ่งปฏิบัติแล้วมันก็จะเอาแต่เรื่องการ น, นั่งสมาธิเท่านั้น เราไปอยู่วัดของหลงตาท่านก็ให้ทําอย่างนั้นเองท่านไม่ให้ไปไหนไม่ให้มีงานอะไรท่านแค่ม้วนบ้างเรื่องงานภายนอกสาหรับพระเองถ้าจะทําก็ทําททงานที่จําเป็นจริงๆ ท, งที่ต้องที่ต้องทํำมากกว่ากันเองก็ถึงเวลาปีหนึ่งก็จะไปตักกิ่งพันมากันทำไมนั้นจะได้กิ่งไปมาเป็นมากกว่า หรือว่าจะต้องทาพวกแกนขนมเตรียมไว้สำหรับความาต้นเพราะว่าทุกสิบห้าวันที่วันก็จะมีการซักย้อมผ้าจิวรกันขึ้นลาทาทีก็ทำพร้อมกันทั้งวันมีหม้อใหญ่ๆอ้อมแล้วก็จะเอาพวกแกนขนมที่ใช้กบใสเป็น พอไปใส่พอไปต้องให้มันออกให้ให้ ใ, ห ใ, หใหงามันออกเลยงานนั้นเป็นทักย้องกี่วนแต่นี่ก็เป็นางานที่จําเป็นที่จะทําทถ้าไม่จําเป็นแล้วที่จะมีแต่งานปกติคือบิณฑบาตบิณฑบาตปัดกวาดทำความส ะ, สะาอาดเช้าตอตอนบายตอนเช้าทำเสร็จก็ช่วยกันกวาดทิ้งจลาเก็บกวาด ตอนบ่ายก็ออกมาเป็นธบานทานน้ำปานะแล้วก็สนังแล้วก็เข้าที่เดินจงกรมนั่งสมาธิไปนอกจากวันที่มีกระชุง mm hmm. ก็จะไปที่รวมกันที่สาราตอนนั้น แ, แรกๆน้ำหนึตาท่านจะเรียกประชุมประมาทอาทิตย์ละครั้งหนึ่งตอนนั้นร่างกายท่านยังแข็งแรง แล้วก็ไม่มีแขกญาติโยมไปไปวัดกันมากสมัยนั้นช่วงเสาร์ที่จะมีญาติโยมจากอุบลมาพักสองสามคันบางคนกำลันบ้านสองสามเจ้ามามาใส่บาตรส่วนใหญ่ที่ว่าก็จะใสยอาหารที่ได้จากบิะบาบจากหนุ่มบ้านแล้วก็อาหารที่หลวงโก้ทำหลวงเสือ แล้วก็พวกผลมไม้ที่ปลูกไว้ในวัดพวกกล้วยแล้วเราก็สับปะรดมาโม้แล้วแต่หน้าแล้วแต่อดูก็อยู่กันบายสบายไม่มีภารกิจมากชันกันเสร็จเร็วแยกกันกลับไปที่ที่ภของตนกันรวดเร็ ว, รวที่วัเก็ร่งไปที่การภาวนานอย่างเดียว ให้พระเดินยองกลมย่างสมาธิเวลาที่พระออกมาเป็นท่าก็จะถูกไล่กลับไปถ้าออมางเต้นท่าบ่อยๆก็ไล่ออกจากวัดไปเลยไม่ได้มาภาวนา <c oughs> พระที่จะอยู่ก็ส่วนมากจะค่อนข้างที่จะเครียดจังเพราะว่าถ้าภาวนาไม่ได้เงอนก็ไม่รู้จะทำอะไร ทำอะไรก็ทําไม่ได้แต่ถ้าภาวนาได้ก็ที่นั้นก็ดีเพราะว่ามีเวลาได้ภาวนาอยา่างเต็มที่งานภายนอกนี้ท่านจะไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่เวลาจะสร้างกุติแต่ละครั้งท่านต้องพิจารณาว่าจำเป็นจริงๆท่านถึงจะให้สร้างท่านไมให้สร้างมากท่านจึงท่านต้องการที่จะา ให้มีเวลาภาวนามากท่านเองท่านก็ไม่รับมากเกินไปเพราะว่าหนึ่งถ้ามีมากก็ต้องสร้างที่อยู่เพิ่มเรามีมากก็จะควบคุมไม่ค่อยได้ได้การชีดเท่าไรสมัยที่ไปนั้นเทียนเทียนพระประมาณสิบหรือสิบเจ็ดลูกเป็นาลักย แล้วต่อมาท่านก็เริมท่านกรับเพิ่มป็นสิบแปดสิบเก้าเนื่องจากครูบาจารย์ต่างๆท่นานก็นอนะ้ำพรลงไปท่านเองที่จะหาเพิ่มหาครูบาจารย์ก็หาครูบาจารย์เพ่มในน้อยก็จะมาที่วัดต่างๆเพิ่มมากขึ้นท่านกเ็เลยเมตตารับเพิ่มมากขึ้นก็คือ ปีนึ่งก็เพิ่มทีละองค์สององค์ขึ้นไปพอเสร็จปีที่เราออกมานีเจะยี่สิบกว่ากนะันแล้วยี่สิบห้ามายี่สิบห้าอยู่ที่นีนก็อยู่ไนดะ้ทั้งหมดก็เก้าพรรษาห้าพรรษาพอได้ห้าพรรษาแล้วก็ลากลั บ, บมาเลี่ยบ้านครั้งหนึ่งแล้วพอออกพรรษาแต่งก็ขอลาออกมากลับจะมาภาวนา แล้วก็มาเยี่ยมบ้านด้วยมีนั้นเราเ่สักจัปีสองห้าสองห้า่าปีสองห้าลายปีสองช่วงนั้นสจะสองห้าสองห้าออกจากวันมาตอนลายปีสองห้าแล้วก็ภาวาเยี่ยมบ้านก่อนแล้วก็มาที่วัดยานีย้างหน้าก็าได้ยินว่าําเร็จ ทีสัมวนาท่านมาสร้างวัดอีกที่เคยได้การว่าหลวงปู่เทียเคยมาอยู่เป็นเจ้าวาัดอยู่ช่วงเ่าก็เลยมาดูว่าเป็นยังไงก็มาพักอยู่นั่นประมาณสักสองวันทิศแล้วก็กลับไปพักอยู่ที่สวนของวัดช่องอ๋อยู่ที่นั่นประมาณสักสามเดือนแล้วก็ก็เดินทางกลับไปบ้านตา ไปก็ประจำบรรษาปีสองหกรรษาที่เก้าออกพรรษาก็ทางบ้านก็ส่งข่าวลา ว, ว่าพ่อไม่สบายก็เลยขอมาท่านออกมามาเพื่อจะมาอยู่ใกล้พนะ่อไปดูแลพ่อก็มาอยู่ประจำบรรษาอยู่ที่วัดโที่สัมผัรในพัทยา ก่อนจะเข้าพรรษาพขก็บอร์นภาพเสียก็เลยไม่ได้กลับไปหลังจากออกพรรษาแล้วรับกรถินเสร็จแล้วก็เลยมาอยู่ที่วัดยาตต่ออันนั้นก็เป็นปีสองเจ็ดพรรษาที่สิบนี้จำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิสัมภาร์ที่พัตยาก็้พรรษาแรกนี้จำพรรษาอยู่ที่วัดปางนันต์ พรรษาที่สิบเอดจนถึงพรรษาที่สามสิบเจ็ดนี่ก็อยู่ที่วัฏยาณก็อยู่ที่วยาเ น, นี่นปีสองสองเจ็ดสองห้าสองเจ็ดหวต้นก็พักอยู่ข้างล่างก่อนแล้วพอปีสามก็ย้ายขึ้นมาอยู่ห้างบนงตลอดระยะที่อยู่นี้พอีช่วงนั้นหลวงตาลท่านก็มาพักอยู่ที่สวนช่อง สวนของสวนของวัดช่องหนึ่งท่านก็จะแวะมาอยู่และมาบางทีท่านก็มามามาปีกเว้ยครั้งหนึ่งท่านหัวใจกำเริบท่านอยากจะหาที่สงบท่านก็เลยอยากจะขึ้นมาพักบนเขาเพาท่านเคยมาก่อนตอนช่วงบ่ายเย็นๆท่านก็ให้โยมทานท่านมาองเดียวท่านติดตามก็ไม่ได้มาด้วยท่านนี้ต้องการมาองเดียว ตอนทีพบกันเรากำลังอยู่ข้างล่างพบกับท่านท่านก็เลยบอกท่านอยากจะขึ้นมาพักวันนี้ก็เลยพาท่านขึ้นมาพอลองางใจว่าท่านก็ที่มาที่ศาลาอะไรเงี้ยพักวันนี้พักที่นี่ก็เลยจัดที่ให้ท่านพักอยู่ที่นี่ท่านก็สั่งไว้ว่าท่านจะไม่ฉันพวงนี้ท่านมาหัวใจกําเลิกฉันไม่ได้ท่านต้องการความสนงบอย่างเดียว ไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องการเรื่องฉันอาหารท่านจะไม่ฉันวันนึงขึ้นแล้วก็ลงกลับลงไปพักข้างล่างก็ทำเกตวนนึงขึ้นก็ไปเดินสบายแทมเสร็จก็กลับขึ้นมาก็พอดียาเดียว ม, มารับท่านกลับไปท่านกระชากอยู่คืนนึงแล้วต่อมาท่านก็แวะพันยัล้ท่านาผ่านมาท่านก็จะแวะมา อยู่ปีสองปีทั้ง ก, กะวะมาทาั้งมีปีหนึ่งทั้งท่าไม่เคยไม่เคยทํามาเคยท่านท่านจะมาพักที่วัดช่องหนึ่งที่วัดที่สวนที่วัดช่างหงแล้วไม่ทราบเราโยนก็ทราบหรือว่าท่านบอกเขาโยมเขาก็มาบอกเราว่าท่านจะมาะมาวันนั้นวันนั้นเราก็เลยไปรอแล้วท่านที่วับ ที่สวนวัดเจ้าองประกาศท่านที่นั่นก็แต่ออกมาก็ท่านก็นก็จะพบท่านอยู่เรืยกยๆก็เลยไม่เคยต้องกลับไปที่วัดต่างๆเพราะคิดว่าไปงานไประกาศท่านนั้นมันเชอจะมีโอกาสยากกว่าเพราะอยู่ที่นั่นก็ท่านก็ค่นทางที่จะมีมีภารกิจมากจะเข้าไปกราบท่านก็เป็นหน้าแต่กราบที่เฉย ก็เลยไม่ได้คิดที่จะไปก็เลยไม่เคยกลับไปเลยตั้งแต่ปีปลายปีสองหกเลยยังไม่เคยกลับไปที่วัดต่างนาั่ต่างอย่างนั้นก็เป็นเพียงสถานที่ความความจำกันของวัดต่างนันต่างก็คือเป็นสถานที่ที่ภาวนาที่สงบที่มีครูบาอาจารย์คอยคอย คอยสอนคอยบอกคอยแก้ปัญหาต่างๆให้ถ้าอยู่ที่ไหนที่มันสงบมันก็เหมือนกับอยู่ที่ บ, บ้านวัดตามบ้านตามนั่นนี่ก็เป็นนิทานลัคลนรมันี้ที่ตรงกับวันวันที่สิบเก้ากุมภาคัน้นี้ การปฏิบัติถ้าเรามีสถานที่ดีมีครูบาอาจารย์ที่รู้ทางแล้วเรามีความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนเนี้ผมมันจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะว่ามันผมนีมน่มันเกิดจากเห็นเหตุก็คือความรู้ความเห็นที่ถูกต้อง ซึ่งต้องมีครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาแล้วถึงจะมีความมีความเห็นที่ถูกต้องผู้ปฏิบัติเองก็ต้องมีความภาเพียิมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความกล้าหาญถ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้แล้วแล้วก็มีสถานที่ที่เหมาะแก่การปฏิบัติถือไม่มีไม่มีอะไรต่างๆที่จะมาดึงให้ใจไป เกี่ยวข้องด้วยเช่น ง, งานก่อสร้างต่างๆงานดุลงานกุศลต่างๆได้ภาวนาได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้เป็นมือเวกและได้รับอุบายวิธีการภาวนาจากผู้ที่ได้รับผลมาแล้วนั้นก็จะทําให้สามารถปฏิบัติไปได้อย่างรวดเร็วอุบายที่ได้จากการไปอยู่ที่ว่าต่างๆตราก็คือการอดอาหารอันนี้ไม่ ตอนนี้ศึกษาและปฏิบัติเองนีงย่ยังไม่เคยยังไม่เคยทราบเรื่องการอดอาหารแต่พอไปอยู่ที่วัดต่างแล้วไม่หม่ๆก็ไม่รู้ว่าพระท่านอดอาหารกันเพราะว่าบางวันพระอยู่ตั้งนก็หายไปก็คิดว่าท่านคงจะลาไปทุระที่ไหนพอฐานใกล้หมดถ้ามีไปอดอาหารถ้าเวลาที่อดอาหารไม่ต้องออกมาทำเกตไม่ต้องมนไม่ต้องมายุ่งกับเกต กิกรรมบนศาลาไม่ต้องออกไปบินธบาตแม้แต่ปากกว่าของส่วนรวมก็ไม่ต้องทําให้ทําแต่เฉพาะของส่วนตนท่านในการเน้นให้เปิดเว่ยจริงๆไม่ให้มาสัมผัสรับรู้กับเยุคเสียงเก่งต่างๆถ้าอนาถนาทั้งกล้าให้ภาวนาได้ตลอดเวลาไม่ต้องมาทําเก็บร่วมกับหนุ่มคนะไม่ต้องเป็นบินตบาตไม่ต้องลังกว่าถึงศาลา ให้ภาวนาอย่างเดียวเวลาอดอาหารนี้มันก็จะเป็นการสร้างภาวะคือความทุกข์ขึ้นมาคือความหิวถ้าเกิดความหิวแล้วนี่มันก็มีสองวิธีที่จะแก้ความหิวหนึ่งก็ต้องหาอะไรรับประทานสองต้องดับความหิวที่เกิดขึ้นจากความคิดปรุงแต่งของใจ เมื่อเราอดอาหารแล้วก็แสดงว่าเราม่เราจะไม่ไปหาหาหารานถับความหิวก็มีทางเดียวกนก็ต้องหับความหิวด้วยการภาวนาด้วยการทาใจให้สงบเพราะว่าความหิวเ0อนี้ออกมาจากใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความหิวที่ร่างกายนี้มีความแรงมีน้ำหนักเพียงส0บเปอรนตท่าน้นน้ำหนักของความหิวที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งนี้ 90% เพียงแต่นึกถึงอาหารตอนนี้น้ำลายก็ไหลนะน้ำลายก็ออกนะเพราะฉนั้นพอพอพอพออ า, อาหารนี่ก็เป็นเหมือนกัว่าวันนั้นเป็นวันเป็นช่งวงเวลาที่ขึ้นเวทีแล้วไม่ได้ชกกระสับสายแล้วเพราะฉะนั้นเป็นการชกกับกิเลสปัญหาเพรานนั้นจะมาทําแบบสบายสบายไม่ได้เพราะฉนั้นจะต้องเข้มงวดต่อการนั่งสมาธิเดินโยกกลอย่างมาก ถ้าไม่นั่งก็ถ้านั่งแล้วเมื่ยก็ออกมาเดินจงกคมเดินจงกรนเมื่อยก็กลับไปนั่งต่อมันก็เลยเป็นการบังคับให้ทำความเพียนไปในตัวเหมือนนักมวยที่ขึ้นบนเวทีแล้วจะมายืนเก้ะๆกลางๆไม่ได้จะต้องจะต้องออกรวดล า, ายทุกชนิดเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไม่ให้คู่ต่อสู้มามามาชกให้เราล้มลงไปได้แต่ด้พอออก พออดอาหาล้วทีนี้มันเกิดภาวะความทุกข์ขึ้นมาคือความหิวนี่จะต้องหาวิธีต่อสู้กับความหิวนี้ให้ได้ก็ต้องภาวนาะเท่านั้นเวลานั่งสมาธิจิตสงบนี้ความหิวก็หายไปออกมาก็เดินจงกรมได้สบายแต่เดินไปสักระยะหนึ่งกําลังของสมาธิก็จะหมดความคิดปรุงแต่งมันก็จะเริ่มคิดถึงอาหารนี้ก็ ตอนนั้นเราก็รู้แล้วต้องกลับไปนั่งสมาธิต่อก็กลับไปนั่งใหม่พอนั่งใหม่จิตมันก็สงบไปความหิวก็หายไปพอเมื่อแล้วก็ลุกพอจากสมาธิแล้วก็ออกมาเปลี่ยนเสียงเดินไปก็ทำอย่างนี้สอบกันไปทั้งวันทั้งคืนเหมือนก็เลยได้ภาวนาอย่างต่อเนื่องนอนก็นอนไม่หลับเพราะมันหิวมไม่นอนไม่อยากจะนอน ิเนี่ยจะต้องถูกควบคุมด้วยสติด้วยปัญญาอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ต้องพิจารณาถึงความเป็นปฏิกูลของอาหารเวลาคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานเนี่ยก็ต้องนึกถึงอาหารที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องเวลาที่มันออกมาจากร่างกายก็เป็นยางไรมันก็จะหยุดความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องอาหารได้ไปพักๆไป เราคิดถึงอาหารคิดถึงอาหารชนิดนั้นชนิดนีด้ปัป๊กกำลังเรียนนึถึงเวลามันเข้าไปในป่ากเราเป็นยังไงเวลามันไปอยู่ในท้องเราเป็นยังไงเวลามันออกมาเป็นอย่างไเา ง, ไรออ เ, งไรเราคิดอย่างนี้แล้วไอ้ความอยากที่จะรับประทานอาหารจานนั้นก็ห่ายไปเนี่ยเราต้องมีเราต้องสร้างภาวะที่มันกดดันจิตใจเรามันถึงจะทําให้เราต่ อ, ตอสู้ แล้วผลิตธรรมะออกมาต่อสู้แล้วก็มันผลิตปัญญาผลิตสมาธิผลิตสติอย่างถ้าเราอยู่ในสภาพที่สบายสบายนี่กิเลสมันจะออกมาเพ่งพันในวันไหนถ้าไปฉันปั๊บเนี่ยกลรบมาถึงกุตินี่มันง่วงเลยมันอยากจะหาหมอนก่อนเนลยไม่อยากจะเดินจงกอมไม่อยากจะนั่งสมาธินั่งก็นั่งเดี๋ยวเดีย ว, ยวนั่งพับเดียวก็ขอพับเนี่ย แล้วจนถงจึงช่วงที่พอเริ่มเริมเริ่มอดอาหารได้นะดังนั้นก็เลยใช้พิการอดอาหารนีเน่เป็นเป็นเป็นเครื่องส น, สนับสนุนในการประกอบความเพียรจะสลับกันไปอทีละสามวันบ้างห้าวันบ้างแล้วก็กลับมาฉันสองวันแล้วก็กลับไปอดใหม่สังเกตท่านก็สอนว่าให้สังเกตดูธาตุขันด้วยว่ามัน มั น, ม, นมันเสียหายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอดมากเกินไปมันก็จะทำให้ท้องเสียได้ก็คอยสังเกตอยู่บางครั้งก็อยากจะลองดูว่าจะอดไปได้สักกี่วันทีก็เอาเจ็บวันบ้างเก้าวันบ้างแต่มากไปกว่านั้นก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลแล้วเพราะมันมันไมนท้องนะมันจะนอนนะ่นี้ มันขี้เกียจมันหิวมากๆมันก็แต่มันไม่หิวแล้วหลังจากสามวันไปแล้วความหิวมันหายไปแล้วที่มันจะมีแต่ความอ่อนเพลียก็เลยสังเกตดุว่าอ่อนอดมากเกินไปก็ไม่ดีผมคิดว่าสามวันห้าวันเนี่ยกําลังดีสาวันแรกก็จะทรมาณหน่อยเพรโะช่วงสาวันแรกนี้มันจะหิวหิวมากน่ยพอผ่านสามวันไปแล้วมันก็ความหิว มันก็จะเบาบังไปแต่ทางการอนญาตให้ให้ฉันนมได้บ้างจนวันทำไมนั้นมันไม่มีนมก่อนก็มีมีพวกนมข้นชงโฮมเมดหน่อยฉันวันละถ้วยหนึ่งมันก็ช่วยทําให้แล้วก็ช่วยให้มันไม่ไม่อ่อนเพลียมากเกินไปแล้วตอนบ่ายก็ฉันน้ำตอนนัได้ พกโกโก้บานฉันสองทางหูตาท่านก็มีช็อกแลตมจะท่านบางจะเอาส่งชอโกลตมาให้ภาคที่หมอาหารนี่จะไดชอลโกลตาที่ไม่หดนี่จะไม่ได้ใครอยากจะฉัชอกกลตก็ต้องอาหารแล้วก็ เวลาอดอาหารก็ดีอย่างไม่ต้องไปเจอเสือที่สาราโอเวลาไปฉันตะระวังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะต้องขึ้นสาราไปเจอเสืออีบางทีก็ไม่อยากจะไปเจอเสือก็ย้ออดอาหารดีที่ที่วัดเลยถ้าจะจ อ, อดอาหารกันบ้างกินบ่อน พี่ในช่วงข้าบันสานี่บาีทีหายไปทีครึ่งวัดก็อดอาหารกันเพราะว่าถ้าไม่อดออกมาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเสือคำรามเหมือนท่านเจตนาจะให้อดนะครับท่านการที่จะไล่เราให้เข้าไปพังรับ กัางคืนเสียนตรวจไหคะแต่กระดนเงียบเสียงเงยบไม่รู้ถ้าจะไปคุยกันนี้ต้องซอ่อนรองเทาง้าท่านเคยมาได้เห็นมีรองเท้าหลายคู่ท่านรว่ามีมีมีพระคุยกันว่าพระมาสังสรรกันพระรู้ทันเวลาไปก็ต้องซอ่อนรองเท้าวลาคุยก็ต้องคุยกันซิบกระซุกกระซิบกั น, นเงียบๆปูนี้ติดก็ได้ยินเลย แล้ส่วนใหญ่เราก็ไม่เคยไปคุยกับใครเพราะว่าไปก็มันมันติดภาวนานไปถึงมึงก็ภาวนาอยเดียว <Yeah. S 1> คุยบ้างก็ช่วงตอนปัดกวบันด้วยตอนสงงานถ้าเจอกันก็คุยกันนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ก็แยกกันแต่จะไม่เคยไปนั่งคุยที่กุฏิเพราะตอนนั้นยังไม่ทรางมันติดพันกับเรื่องพาวนาอ่เดียว แล้วก็ชกแล้วก็อ่านหนังสือธรรมวัฒน์ท่านก็ได้อ่านหนังสือประวัติหลวงปู่ังแล้วก็ปฏิปทาเนี่ยในช่วงนั้นความรู้ทั้งได้จากหนังสือนี้ก็มาเสริมกับความรู้ที่ท่านที่ท่านสอนที่ท่านเทศอ่นานวันละชัว่วโมงเวลาอ่านก็นั่งขัดสมาธิอ่านก็เหมือนกับเราทําสมาธิไปเหมือนกับฟังความเทศ สมัยก่อนมันไม่มีไม่มีเครื่องเล่นทุเรก็ใช้อ่านหนังสือเอาอ่านไปเจ็บก็เย็นสบายแล้วก็มีปัญญาด้วยเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจถึงแนววิธีการปฏิบัติของของพระธุดงเก <c oughs> ี่ยวกับธุดงข้าธทุดงข้วัดต่างๆว่าทำไมจะต้องมีทุดงขราววัดเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยปากกิเลสนั่นเอง เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเสริมความเพียงเช่นการฉันมือเดียวนี้ก็เป็นการตัดกิเลสคือการฉันท่ความอยากในรสในในกลิ่งในรูปของอาหารให้รับประทานให้ใช้เหมือนกับฉันยาเวลาฉันถ้ายังติดอยู่ในรสอยู่ในรูปอยู่ท่านก็ให้เอาเป็นรวมกันแล้วก็ครุกมัน ให้คิดว่าต่อไปมันก็จะต้องวงไปรวมกันในท้องเให้ฉันกแบบไม่ให้มีอารมณ์กับอาหารที่ชันฉันดัฉน บ, บฉันยาจริงๆเอาเข้าปากคกืนๆเข้าไปให้มันอิ่ท้องก็ใช้ได้นะอาหารจะเป็นอาหารชนิด่างก็ไม่สำคัญกนะ็ให้มันไม่ทําให้ท้องเสียหรือเจ็บท้ายได้ป่วยก็ก็ชันได้นะ ชันนู้เดียวชันในบาทเนี่ยนี่เป็นเครื่องมือที่จะใช้ปางกิเลนเกี่ยวกับเรื่องของการชาอาหารให้ถือผ้าผ้าบางสกุลก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิดสมัยพุทธกาลนี่มันไม่มีผ้าต้องไปเอาผ้าที่คขาทิ้นตามป่าชาเรียกว่าเป็นผ้าบางสกุลไปเก็บเสศษผ้ามา แล้วก็มาสะสมไว้พอได้จานวนพอกับการตัดเย็บกี่วันก็เอามาตัเย็บไม่ให้ไปสนใจกับผ้าว่าจะต้องเป็นผ้าดีผ้าทีออ่ยังไม่มยิบขารใช้เนียผ้าเป็นผ้าผ้าคือขอให้เป็นผ้าที่เอามาปกปิดเอาไวว่าปกปิดร่างกายได้รักษาป้องกันร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ด้ว ให้ใช้ผ้าหนั้นแล้วก็ให้มีถือเพียงสามถืนก็พอคือมีผ้านุ่มคือสโงมีผ้าห่มคือจีวอนแล้วก็มีผ้าสันกติคือผ้าไวหวห่มกันหนาวก็พอแล้วในสมัยปัจจุบันนี้เราก็มีผ้าอันสทัทีเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ได้ห่มจีวอนแล้วมันก็ร่นจอนไปหน่อย สมัยก่อนที่ประเทศเอินเดียเ็าคงไม่ถือกันที่มันทางกา้ดูแลไม่สุภาพก็เลยมีผ้าอสะไว้ใส่แต่ผ้าหลักๆ ก, ก็มีแค่สามผืนนั่นเองคือผ้าที่เรียกว่าผ้าไตเป็นผ้ากรองเป็นผ้าที่จะต้องรักษาไปไหนก็จะต้องเอาติดตัวไปด้วย สมัยก่อนเนี่ยถ้ า, าไปตากเลือไปวางไว้ที่ไหนมันอาจจะหายได้เพราะผ้าเป็นของหายากอาจจะถูกขโมยขโมยไปได้ดังต้องรักษาผ้าให้ให้อยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาคือต้องการปลากิเลกที่ชอบ ชอบมากมากชอบของหรูหราของสวยๆงามง่านบอกห้อยู่แบบเรียบง่าย น, นี่คืออุบายที่เราจะต้องใช้ในการตัดคามกิเลสถ้าเราไม่ได้อยู่ไม่ได้ศึกษากับผู้ที่ได้ผ่านมานี้เราจะไม่รู้คุณค่าของของข้อวัดปฏิบัติ ต, ต, ต่างๆเหล่านี้ เราก็จะปฏิบัติไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราซึ่งก็เป็นความรู้สึกของกิเลสนั่นเองดังนั้นถ้าถ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่ยเราไปปฏิบัติตามลำงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหลงทางกันหรือถ้าแม่หลงทางก็จะเสียเวลามากหลงเหมือนกันแต่อาจจะกลับมาได้อย่าลงังถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี้บ า, างนนคนก็จะหลงไปเลย บางคนหลงเนีหลงแวแต่ก็พอจะหันกลับมาได้เพราะมีพระมีปัญญามากพออย่างพระพุทธเจ้าท่านก็หลงไปเหมือนกันท่านก็ไม่มีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนท่านท่านปฏิบัติทุกเรื่ต้องปฏิบัติแบบสุดตรงโอดทหารก็อดว่าอย่างกระทัางเกินความเกินความพอดีไปไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เนื่องจากท่านก้ฉลาด พอ ร, รู้ว่าไปทางนี้มันต่ำมันไม่ใช่ทางท่าน ก, ยนกา็ย้อนกลับมาย้อนกลับมามาสวยพระกะยายหารก็ย้อนกลับมาพวกบัรจาวิคียที่เริ่มสายศรัท ธ, ธาในองค์พระพุทธเจ้าก็เสื่อมศรัท ธ, ธาที่ว่าพระองค์แท้ความเพียรสู้สู้ความเพียรอย่างแท้ไม่ไม่พาดเพียรต่อไปคือไม่ยอมตาย ผมคินว่าพระองค์กลัวตายถึงต้องกลับมาเฉลิมพ ร, ระกัยาหาความจริงพระองค์ไม่กลัวตายแต่พระองค์เห็นว่าความตายของร่างกายมันไม่ได้เป็นค่ากิเลสมันไม่ได้ทำให้เกิดดวงตาเห็นทรรมเห็นเห็ น, น า, าริยสัสี่ที่เป็นธรรมที่จะหยับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้ ร่างกายการอดอาหารร่างกายโดยไม่ภาวนาไม่เกิดประโยชน์อะไรการอดอาหารนี่เพื่อเป็นการเป็นอุบายเป็นเครื่องสนับสนุนในการภาวนาถ้าอดอาหารเฉยเหมือนช่วงที่เขาอดอาหารเนี่ยไปประทุวงทางการเมืองไม่เห็นก็ไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมขั้นไหนได้หรอนี้เขาอดอาหารแต่เขาไม่ภาวนามันก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไร การอดอาหารนี้ก็มีไว้เพื่อที่จะสนับถึงการภาวนาเท่านัน้อย่างที่ถือศีลแปงนี้ก็เป็นการอดอาหารแบบอ่อนออ่อนคือจากจากการเคยรับประทานสามนื้อก็ลดมาเหลือสักสองนื้อเหลือเหลือเหลือมือเดียวคือไม่รับประทานหลังจากที่นงวนไปแล้วอันนี้ก็เป็นการตับกําลังของการมัจฉางธรร คือความอยากใ น, นรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารแต่ขนาดนั้นก็ยังไม่พอกินสองมื้อก็ยังมากเกินไปบางทีกินมื้อเดียวก็ยังมากเกินไปต้องอดรักษาวันห้าวันเพื่อใหกลับมากินสักครั้นึ่ถึงจะกำลังดีถึงจะมีความขยันเหมือเพียจริงเพราะเหมือนเราเข้าสนามรบแล้วจะไปน้่งนั่ ง, น, ง, น, งนอนนอนไม่ได้ เพาะกิเลสมันต่อยเราอยู่ทุกขณะเลยเดี๋ยวมันต้องปรุงแต่งเรื่องอาหารนั่นขึ้นมาอาหารชนิดนี้ขึ้นมาถ้าเราไม่คภาวนา <sunscreen. S 1> เดี๋ยวก็ผมไม่ได้ก็เลยต้องภาวนาวางทับควบคุมความคิดปรุงแต่หรือต้องย้อนความคิดปรุงแต่งมันคิดถึงเรื่องอาหารเราก็ต้องคิดถึงอาหารที่อยู่ในในเอกร่วมแบบนี้ ในขณะที่มันอยู่ในปากเราเป็นยังไงเวลาที่เคี้ยวแนละ้วผสมกับน้ำน้ำลายแนละ้วเราคลายออกมาแล้ว เ, เราตัดเข้าไปเข้าไปในปากใหม่ได้หัืปล่หรือเวลาที่เราอยู่ในท้องแนละ้วเวลาที่อาเจียนออกมาเป็นยังไงให้พิจรารณาอย่างนี้ถ้าพิจรารณานีเา้เรื่องปัญหาเรื่องการอุณหานี้จะไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะเรามียากแก้กัน แต่ถ้าคนไม่มียาแก้นี้อดไม่ได้อดได้วันเดียวก็ฟุ้งซ่านทนไม่ได้เห็นงนี้เขาเรียกว่าไม่ถูกกับจิตความจริงมันไม่ถูกกับไม่ถูกกับความสามารถของตนมากกว่าเรไม่มีความสามารถที่จะผลิต ธ, ธรรมโอสถยากแก้ความหิวนี้ถ้าเราสามารถพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารได้เวลาที่ เราคิดถึงอาหารต่างๆเนี่ยมันก็จะลบล้างภาพของอาหารที่น่าน่ารับประทานอร่อยๆได้พอนึกถึงอาหารที่อยู่ในสภาพที่อยู่ในปากในท้องมันก็จะหายไปความอยากที่จะรับประทานอาหารก็หายไปแล้วเราก็จะจิตก็จะสงบตัวลงจิตก็เมื่อเราทํามากๆมันก็จะมันก็จะสงบ ต่อเนื่อนไปพองทีวันหลังเราไม่ต้องนั่งภาวนาเราเพียงนั่งเฉยๆพอถึงเวลามันก็สงบของมันขึ้นมาเองไม่ต้องพุทโธไม่ต้องอะไรเหมือนกับว่าเป็นความเย็นที่มันคืบเข้ามาในใจเหมือนกับหมอกที่เราที่มันคืบเข้ามามันคืบเข้าม า, าเวลาถึงเวลาที่มันจะสงบที่เราเคยสงบแต่พอดีวันนั้นเราไม่ได้นั่งภาวนาแต่เรานั่งเฉยๆ นั่งดูหนังสือแล้วนั่งทำไรเฉยๆเลยอยู่ๆมันก็เคลิบออกมามันก็สงบอของมันไปเองเพราะมันเคยสงบเวลาใดมันก็จะสงบเวลานะั้นการมีอุบายวิธีนะี้จะช่วยเร่งความเพียนจะทําให้เร่งให้ผลเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะถ้าปฏิบัติแบบสบายๆนี่มันก็เหมือนกับนว่นว่นวธรรมดาไม่ได้นั่งรถ ด, ด่วนะ จอดทุกสถานีแต่ถ้านั่งรถเดียวนี้มันก็จะจอดเพียงเมื่อกี่สถานีก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเดียวเนื่องผู้ที่ฝ่ธาธรรมะความหลุดพ้นอย่างรวนเดียวนี้จะต้องเป็นผู้ที่กล้าหาญที่จะใช้อุบาวิธีต่างๆมาเสริมในการภาวนาคือต้องหาสถานสนามศอบต้องเข้าไป เข้าไปหาสนามสอบอย่าไปรอให้สนามสอบมาหาเราเพราะว่ามันมันก่าจะมาหาเรานี่มันบางทีมันยังอีกไกลอยู่จะรอให้ความตายมาหาเรามันอุกหลายปีบางทีเราต้องไปหาความตายกลัวความตายก็ต้องไปหาสถานที่ที่มันน่ากลัวต่อความเป็นความตายอยู่เวลาจะได้พิสูจน์ ด, ดู ว, ว่าเราเราจะดับความกลัวาตายได้หรือเปล่า ความกลัวาตายมันเกิดจากความอยากอยู่นั่นเองความอยากอยู่ความหนุนยึดติดร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรากรต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นเพียงหยิ่งน้าหยิ่งไฟและมันก็ต้องมันก็ต้องตายไปในที่สุดจะช้าหรือจะเร็วมันก็มันก็จะต้องเจอวันนั้นอยู่ดีแต่ถ้าอยากจะอยู่อย่างสบายไม่กลัวตายเราก็ต้อง เราก็ต้องไปแก้ปัญหานี้ก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราก็ต้องไปหาที่ที่มันน่ากลัวที่เรากลัวแล้วเราก็ไปไปที่ไหนที่ทําให้เกิดความกลัวขึ้นมาอย่างสุด ข, ขีดได้แล้วก็ใช้ปัญญามาพิจารณาปล่อยวางหน้ากายวา่างร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้าเหมนไฟร่ากายนี้ยังไงเกิดมาแล้วก็ต้องต้องตายอย่างแน่นอน มันก็ถึงเมื่อถึงเวลามันจะตายตอนนี้ก็ให้มันตายไปพอยอมตายปั๊บเนี่ยความกลัวตายก็จะหายไปที่พระที่ท่านก็อยู่ในป่าในเขากันก็เพื่อที่จะไปหาสนามสอบทดสอบจิตใจเพราะถ้าเราปฏิบัติอยู่ในวัานี่มันในวัดบ้าน น, ะนี่มันค่อนข้างจะปลอดภยัยแต่ในวัดป่าบังวัดก็ กลางคืนก็น่ากลัวเหมือนกันออมาเดินค่ำค่ำกลางคืนไม่ต้องใช้ไฟเดี๋ยวก็ได้เพ่จะพิสูจน์รือว่ากลัวกลัวหรือ ไ, ไม่กลัวเพราะฉะนั้นนอกจากการที่เรารู้แล้วว่าขั้นตอนของการปฏิบัติมีอะไรเช่นรู้ว่าต้องทอนยาต้องเจริญจิตต้องนั่งสมาธิต้องเดินเดินกลม อันนี้ก็เป็นงานพื้นฐานแต่เราต้องเราต้องหามาตรการให้มันเข้มข้นขึ้นไปอีกคือการปฏิบัติที่บ้านกับการปฏิบททัติที่ในป่านี้มันไม่เหมือนกันภาวะมันไม่เหมือนกันเหตุการณ์มันไม่เหมือนกันหรือปฏิบัติแบบฉันฉันตามปกติกับการไม่ไม่ฉันการอดอาหารนี่มนต่างกันหรือการนั่ง ให้มันเจ็บแล้วก็ให้มันหายไปเองไม่ต้องไปยุกากับการนั่นพอเจ็บแล้วก็เปลี่ยนในเรื่อบบมันก็ต่างกันผลมันต่างกันถ้าอยากจะได้ผลดีมันก็ต้องดุยมันต้องสู้เจ็บแล้วก็อย่าไปยุกนั่งไปใช้สมาธิอบายของสมาธิหรือใช้ปัญญาพิจารณาให้ปล่อยวางความเจ็บนั้นให้ได้ ให้ใจไม่ไปวุ่นวายกับความเจ็บนั้นปล่อยให้ความเจ็บเขาไปตามเรื่องของเขาเหมือนกับเราปล่อยคนนั้นคนนี้ไปไม่ไปยุ่งกับเขาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาใจของเราก็ไม่วุ่นวายที่เราวุ่นวายเพราะเราไม่เราไปยุ่งกับเขาเองเวทนาความเจ็บของร่างกายก็เหมือนกันก็เหมือนคนที่เราไปยุ่งด้วยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาจะแสดงอาการอย่างไรก็ปล่อยเขาแสดงไป เหมือนกับคนที่เ้าด่าเราดูชมเราถ้าเราไม่ไปสนใจก็อย่างมันก็ไม่เป็นตัญหาเราแต่ถ้าเราไปสนใจเราต้องการให้เ้าชมไม่ต้องการให้เ้าด่าเราพอเขาด่าเราเราก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาเวทนาก็เหมือนกันเวทนาก็เหมือนคนที่เ้าด่าเขาชมเราเวทนามันก็มีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์ เวลาสุดเรารับมันได้ทําไมเวลาทุกครังหนึ่งครับทำไมรับมันไม่ได้มือนก็เป็นเวทนานเหมือนกันเหมือนกับเสียงด่ากับเสียงชมเรารับเสียงชมได้ทําไมเรารับเสียงด่าไม่ได้มันก็เป็นเสียงเหมือนกันปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เขาปัญหามันอยู่ที่เราเราไปแยกยะเองเราไปรักไปชังเองเสียงชมเราก็ชอบเสียงด่าเราก็ชังมันก็เลยทําให้เราเกิดความขุ่นรัวขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจ ความเจ็บความสุขของงานกายก็เหมือนกันสุขเวทนาทุกขเวทนามันก็เป็นเวทนาเหมือนกันมันจะเป็นเวทนาอย่างไรถ้าเราไม่ไปรักไปชังมันมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรปัญหามันอยู่ที่ใจคือความทุกข์มันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่เวทนาเวทนามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่เราจะทุกขกรรมันหรือไม่อยู่ที่เราถ้าเราไปไปรักไปชังมันเราก็จะทุกขกรรม ถ้าเราเสียสิ่งที่เรารักไปเราก็จะทุกข์ถ้าเราพบกับสิ่งที่เราชังเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่รักไม่ชังเวลาเราเจอเขาเราก็จะไม่ทุกข์ะฉะนั้นอยากไปรักรักสุขเวทนาอยาไปชังทุกขเวทนาให้สลับกันให้ชังชังสุขเวทนาแล้วให้รักทุกขเวทนาว่างเอาเปนเจ็บแล้วดีเจ็บกันนี้มีไหมนั่งหนั่งไป หัดชอบทุกขเวทนาหัดเปลียดสุ ข, ขเวทนาต่อไปใจก็จะได้อยู่โครงการได้อยู่เฉยๆได้ทุกขก็ได้สุขก็ได้เหมือนกันด่า ก, ก็ได้ชมก็ได้เหมือนกันเพราะเป็นเพียงเสียงเท่านั้นเองเวทนาก็เป็นเพียงผดทพะที่มี่จุดรับที่จ็ตรับรู้เท่านั้นเองผดทพะของร่างกายร่างกายสัมผัสกับของแข็งนานๆข้าวมันก็สแสดง มันก็สแสดงอาการความเจ็บให้เห็นท่านเองก็รับรู้ไปถ้าเราไม่ไปรับประจ่ามันใจของเราจะไม่สะเทือนใจของเราจะไม่กระเพื่อใจของเราจะสบายแต่เราต้องมีฐานก่อนคือใจเราต้องสบายมาก่อนคือต้องมีสมาธิมาก่อนถ้าจะไม่มีสมาธินี้อะไรนี้แต่หน่อยนี่จะสะดุ้งทันทีเลยเพราะว่ามัน มันไม่มีความหนักแน่นต้องทำใจให้หนักแน่นกันด้วยการทำสมาธิปัญาใจสงบแล้วใจยังมีความหนักแน่นจะมีอุเบกขานิ่งเฉยพอสอนให้ใจนิ่งเฉยกับอะไรมันก็จะเนื่งเฉยได้ให้เนิ่งเฉยกับคดาด่าก็นิ่งได้ให้เนิ่งเฉยกับความเจ็บปวดของร่างกายก็นื่งได้สมาธิจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมากในการเจริญปัญญา เราเจรตปัญญาเพื่อที่จะปล่อยวางใจงต่างๆปล่อยวางขันปล่อยวางเวทนากล่อยางร่างกายเวลาไ ป, ไปเผชิญความตายก็สอนให้ใจนิ่งๆไว้ปล่อยให้ร่างกายตายไปเราไม่ได้เป็นร่างกายไม่ต้องกลัวลถ้าใจไม่นิ่งใจไม่มีฐานของสมาธิอยู่มันก็กระโดดพอเจออะไรกลัวๆมันก็วิ่งเข้าไปเลย ไม่มีอะไรจะหยุดมันได้ความกลัวนี่มันมีพลังมากถ้ามีสมาธิแล้วนี่หยุดมันได้แล้วยี่งมีปัญญาสอนแ่าให้ปล่อยวางั้งเพราะถ้าไม่ปล่อยแล้วจะทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าจะเจรปัญญาให้ให้เป็นปัญญาให้ได้ผลจริงๆต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิี่ถึงแ่าจะรู้ว่าความตายเป็นธรรมดานก็ทาใจไม่ได้ ควเจ็บเป็นธรรมดาก็ทำใจไม่ได้เพราะมันใจมันไม่มันไม่หนักแน่นมันไม่นิ่งผอนั่นเองเพราต้องทำความทำใจให้นิ่งได้ก่อนสมายนี้คนหลงผิดกันคิดว่าไม่ต้องเีสมาธิใช้ปัญญาเลยแล้วมีใครบรรลุกันบ้างหรืเปล่าพวกที่ใช้ปัญญาเลยพวกที่นั่งสมาธิไม่ได้แล้วจะไปจะเจริญปัญญาเลไรอยานี้ทำไม่ได้หรอก เหมือนคนที่เดินไม่ได้จะไปวิ่งก่อนได้ยังไงก่อนจะเดินได้ก็ต้องยืนก่อนก่อนจะมีสนาที่ด้านก็ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติก็ก็จะทาให้จิตสงบไม่ได้ถ้าจิตไม่สงบจิตไม่นิ่งไม่นักไม่นักแน่นไปสอนจิตให้ปล่อยวางก็ปล่อยไม่ได้พออะไรนะสัมผันรับรู้มันจะนักจะชั่ขึ้นมาทันทีจะอยากขึ้นมาทันที ถ้าเจอของชอบก็อยากได้ ท, ทันทีถ้าเจอของเปลี่ยนก็อยากจะหนี ท, ทันทีแต่ถ้ามีาสนาที่้องสอนได้ว่าอยากไปรักอยากไปชองอยากไปชอบอยากไปเปลี่ยนเพราะจะทำให้ใจกระเพื่อนจะทำให้ใจไม่สงบใจไม่สงบแล้วก็จะไม่สุขใจจะเป็นทุกข์ขึ้นมาพอสอนอย่างนี้ถ้าอยากจะให้รักษาความสงบความสุขของใจก็ต้องปล่อยทุกอย่างปล่อยทุกอย่างก็เป็นไป ใครจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปใครจะชมก็ปล่อยเขาชมไปใครอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปไม่ต้องไปห้ามเขาไม่ต้องไปอยากให้เขาทำอย่างตามที่เราต้องการความต้องการของเราไม่จาเป็นเราไม่จาเป็นจะต้องมีไม่ต้องการอะไรความสุขของใจอยู่ที่การไม่ต้องการอะไรไม่อยากอะไรนี่เป็นทางของปัญญา ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จะทำให้เป็นผลได้ก็จะต้องมีสมาธิก่อนใจต้องมีความสงบมีความหนักแน่นเป็นพื้นฐานก่อนถ้ายังไม่มีสมาธินี้ใจมันก็จะเป็นเหมือนกับสปริง น, งงออนี่มันจะเด้งทันทีเลยพออะไรสัมผัสปั๊บนี่มันจะเด้งทันทีต้องทำใ ห, ให้ให้สปริงนี่มันมันด้านซะก่อนมันไม่เด้งซะก่อนเราสัมผัสอะไรก็เฉย ได้ยินอะไรก็เฉยเห็นอะไรก็เฉยด้วยถ้าจะมีปฏิกิริยาก็ไม่รุนแรงพอใช้ปัญญาพิจารณาสอนว่าปล่อยวางเสียเถอะแล้จะดีกว่ามันก็จะปล่อยทันทีเพราะปล่อยแล้วมันก็จะกลับสู่ความสงบทันทีแล้วต่อไปมันก็จะไม่ไปยึดไปติดกับอะไรไม่อยากจะให้อะไรเป็นอะไรฉะนั้นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง อะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับมันเป็นเรื่องภาวะปกติของโลกเับมีการเจริญมีการเสื่อมในราบยศสรรเสริญในในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้และเราไม่ควรด้วยเพราะการอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจของเรา ในการปล่อยวางการยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นตลอดทุกเวลานาทีอันนั้นะเป็นความเป็นการที่จะรักษาทำให้ใจของเราอยู่อย่างสงบนุ่มนิ่เป็นสุขไปได้ตลอดเวลานี่คือเรื่องของการปฏิบัติเป้าหมายก็คือการปล่อยวางเพื่อใจจะได้หยุดพ้นจากความวุ่นวายต่างๆ แต่เราไปยึดกับเขาเองโลกเขาวุ่นวายแล้วเราก็ไปย่นไปยุ่นกับเขาเขาเป็นอย่างนี้ก็อยากย้าย เ, นนเขาเป็นอย่างนั้นเข า, าเป็นอย่างนั้นก็อยากย้ายเขาเป็นอย่างนี้เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาสัพเพมานัตตาไม่อยู่ในไม่อยู่ภายใต้อํนนานาจของเราที่จะไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราอยากจะพบกับความสุข อยากจะให้ใจอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาเราก็ต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกความนี้ที่เราทุกข์เราทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในเรื่องนี้นับตั้งแต่ร่างกายของเราออกไปร่างกายนี้ก็เป็นกลองทุกข์กองหนึ่งแล้วก็ไปเอาสามีเอาภรรยามาเป็นกลองทุกข์อีกกองแล้วก็เอาลุ่มาเป็นกลองทุกข์เอารลายมากองเป็นกองทุกข์เอาสมบัติเครื่องของเงินทองมาเป็นกองทุกข์ เอาลูกเสียงกิ่นรสมาเป็นกองทุกข์เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนี้อยู่กับความทุกข์มาตลอดเวลาจนไม่รู้ว่าตัวเองนี่อยู่กับความทุกข์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ก็จะติดอยู่กับความทุกข์อย่างนี้ไปไม่มีวันซิ่งสุสดตายไปก็กลับมาเาความกองทุกข์นี้มาทำมาเกิดอหม่แต่ถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้นําเอาไปปฏิบัติแล้ว พราะจิตพบกับความนุ่มเย็นพบกับความสงบพบกับความสุขแล้วก็จะเห็นโทษของสิ่งต่างๆเหลา่านี้ทันทีก็จะพยายามใช้ปัญญาตัดมันให้ออกไปให้หมดพอเวลาเห็นนี้มันยังเห็นเห็นเฉพาะชั่วขณะนั้นแต่นิสยัยมันนิสัยเก่านีนยังมีอยู่ความอยากความชอบของเก่ายังมีง ต้องมาแก้ทุกครั้งที่มันชอบก็ต้องตัดมันทุกครั้งที่มันชันก็ต้องตัดมันจนกระทั่งไม่มีอะไรลงหรือให้ชอบให้ฉันอัไรมันก็จะหมดฐานะมันก็จะหมดงานไปเพงาะงั้นขอให้พวกเร า, าเรีบขวนขวายกันเพราะเวลาของเราไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะมีเหลือกี่สักกี่วังกี่ปีกี่เดือน แล้วก็ไม่รู้ว่ากลับมาทําวหน้าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าไม่พบก็คงจะต้องเป็นเวลายาวนานกว่าจะมีพระพุทธศาสนามาประกฏให้เป็นที่พึ่งของโลกได้อีกครั้งหนึ่งน้ตอนนี้อย่าไปเสียดายกลับอะไรต่างๆในโลกนี้เลยตายไปก็ไปไม่ได้อยู่ดีทิ่งมันเสียดายวันนี้ดีกว่าไปอยู่วัดกันไปบวชชีกันไปบวชพระกันแล้วเราจะได้ของที่ดีของที่ดเสษ อย่าประมาทในความสามารถของเราอย่าไปคิดว่าโว๊ยเราทำไม่ไหวหรอกอย่าไปมองคนที่เขาเขาเรียนจบแล้วเราอยู่ปหนึ่งเราก็ทําหน้าที่ของเราไปอย่าไปคิดว่าโอ๊เราคงไม่มีื้นที่จะไปเรียนถึงขั้นปริญญาหรอกคนที่อยู่ปหนึ่งก็คิดอย่างนี้กันทุกคนเพราะมันรู้สึกว่ามันสุดเอื้อมแต่เรียนไปเสร็จเราอยู่ปหนึ่งเราก็เรียนชั้นปหนึ่งของเราไปเรียนเพื่อขยับขึ้นชั้นปสอง อยเรียนซ้ําชั้นเรียนมาเจ็ดปีแล้วก็ยังอีกชั้นเดียวนี้เรียนซ้ําชั้นเรียนแล้วก็ล่ขึ้นทีนี้ทางปีหน้าก็สี่ปีที่สามก็ภาวนาปีที่สามก็สติปีที่สี่ก็สมาธิปีที่ห้าก็ปัญญาปีที่หกก็จะได้หลุดพ้นได้ มันต้องมีแผงนัน่งไม่ใช่เรียนกันไม่ไม่ไม่มีแผงเลยเรียนมากี่ปี ก, ก็ ท, าทาําทานอยู่นั <c oughs> ่นแหละไปงานบุญ น, นั้นงานบุญ น, นี้อยู่เลยไปปีก็เองไม่ไปสักที น, นานจะไปสักทีมันก็เลยไปไม่ถึงไหนเราไม่ดันตัวเราเไม่มีใครดันแค่เราเนละครูบาอาจารย์นีก็สอน ท่าก็พูดทัานก็บอกท่าน拉เราไม่ได้ดันเราไม่ได้เราต้องเป็นผลที่ากเราเองดันเราเองให้เราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆมันอาจจะกระตุ้นความเพลินได้ว่าเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะอย่าประมาทนอนใจใครคิดถึงว่าพุทธเจ้าพระอริยสงสารอยอยู่เรื่อยๆดูดูท่านเป็นตัวอย่าง เป็นดาษเรท่านก็เป็นเหมือนเราท่านก็เกิดมาในโลกที่อยู่เหมือนเามา่ก่อนท่านก็อยู่กับราบย่อดรรลอดเนั้นอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการอย่างก่อนแต่ทําไมท่านท่านดินรอดออกไปได้เพราะท่านมีความาท่าเปลี่ยนท่านมีมีปัญญาพวกเราอาจจะไม่มีปัญญานะถึงไม่เห็นโทษของการ คุกคีอยู่กับราบยศธรรมแสนอยู่กับคามเสื่อทา ง, ทงตาหูจมูกเล่นใจเป็นเหมือนตาที่ที่ติดอยู่กับเยื่อชอบกินเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ่งแล้วก็ต้องถูกแบบเกี่ยวคอไว้ลิ้นไม่ได้ตอบด้วยกลัวเวลาจะถอดเบ็ดออกก็กลัลวเจ็บเวลาจะออกจากลาบยศธรรมแสนเสร็จ ก, ก็กลัวจะทรมารย์ใจกลัวจะทุกข์ใจ ไปอยู่วัดก็รู้สึกเหงาว้าเว่เข้าสร้อยน้อเหงาอย่างนี้ก็จะเป็นนักทษอ่านี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดนี่ยนักโทษในเรือนจําแห่งการเรียนไหวาตายเกิดต้องยอมเจ็บต้องเผ็ิญทนเจ็บเอายามไปอยู่อ ย, อ ย, อยู่อยู่วิเวปกปิดวิเวกอยู่ตามวัดไม่มีความสุขทางตาหูจมูกมื อ, อากายแล้วก็คอย บงังคับให้ภาวนาให้เดินจยมขมนั่งสมาธิให้เจริญสติเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานมันก็ไปได้พอทำเริ่มหมุนแล้วทีนี้มันก็จะไปอย่างมีความสุขภาวนาอย่างมีความเพลิดเพลินถึงแม้ว่าจะทุกข์บ้างตอนนีเพราะต้องมีการต่อสู้กับกิเลสแต่มันก็เป็นความทุกข์ที่ที่มีมีคุณค่าเพราะเวลากิเลสตายไปแต่ละครั้งจ่รู้สึกว่าโอ้มันแสนจะเบาอกเบาใจแสนจะสบาย แสนจะภูมิใจที่สามารถผ่านกิเลสแต่ละตัวไปได้มันเป็นรางวัลที่คุ้มค่ามากเหนื่อยๆ น, นั่งน้อเพลงอาจารย์รู้สึกหายไปหมดเลยเวลาฆ่ากิเลสได้แต่ละตัวนี้รู้สึกว่าความเหนื่อยากต่างๆนี้มันหายไปหมดเลยมีแต่ความสบายมีความสุขเนี่ยขอให้พยายามเนี่ย พยายามขยับบ้างอย่าอย่าเรียนซ้ำชั้นนะยายาก้าวขึ้นไปนะเราจะได้เรียนจบรักทีเอาละขอพักอยู เอาไว้สายมาน่าคงจะไม่ค่อยดีนะเสียหนึ่งไม่เป็นไรหรอกก็้นได้ไงก็เดินไปเลยนะแล้วก็เนมีความรสึกว่าเสียงเบาที่ไปฟังจริงจริงการที่เราใช้เนนาตีเห่ลาตัวนะคเือตัวไหนที่มันุูกาพกว่า ตัไหนมาก่อนก็ทำ ก, กันแต่จาโดยหลักก็ตัวอยากก่างมันจะมาก่อนตัวอย่างแล้วก็ตัวขนาดกลางแล้วก็กตัวละเอียดตัวอย่าง ก, ก็เนี้ยราบย้อนจรสันสุขเนี้ยช้อปปิงกก้งเนี้ยเป็ยตัวอย่างช้อปปิ้งไปกินขนมนมเนยเว็บเที่ยวดูหนังฟังเพลงเนี้ยี้ยตัวอย่าง แล้วก็ค่อยเข้ามาที่ตัวที่ร่างกายกลัวเจ็บกลัวตายแล้วก็คนพวกที่เหนานอนคนเดียวไม่ได้ต้องนอนแล้วต้องมีแฟนนอนด้วยตัวนี้เ็นเรีกขนาดการขนาดละเอียดก็ตัวที่อยู่ในใจอยู่ในจิต ต้องต้องทำลายตัวอยาง ก, ก่อนต้องสละสมบัติสละความสุขสละเพศคารวะก่อนแล้วถึงมาต่อสู้กับขันห้ากิเลสที่ยุติดกับขันห้าาปล่อยปล่อยร่างกายปล่อยขันห้าแล้วแล้วก็เข้าไปหากิเลสที่อยู่ในจิต ที่อวิชาอาวิชาตัวสุดท้ายอยู่ในจิตมานะนี่อยู่ในจิตความยึดติดในความสุขของฌาน ร, รูปรูปาราคาอารูปะราคาอันนี้จะเป็นกิเลสที่ละเอียดถ้ายังไม่ผ่านตัวหยากขนาดกลาง ขนาดจะไม่เห็นตัวละเอียดนะครับเพราะว่ามันละเอียดเกินไปตัวใยา่ตัวขนาดกลางมันจะขวางไว้ก่อนมันจะบังไว้ก่อนเหมือนกับเวลาที่เราใช้อะไรกรองกรองทรายหรือกรองอะไรเนี้ยถ้าเราใช้ตะข่ายที่มันตะมันกว้างมันก็จะกรองได้ตัวขนาดใหญ่ก่อนตัวที่มันได้ ก, กว่าตะข่ายมันก็จะเลืล่อนลอดออกไป เราก็ต้องเปลี่ยนตาขายจากขนาดใหย่มาสู่ขนาดกลาง้วสู่ขนาดละเอียดถึงจะได้ซายขนาดละเอียดเต็มที่ต้องกองเป็นชั้นๆไปเพราะว่าจะทำข้ามขั้นกันไม่ได้เพราะความยาก ง, ง่ายมันก็ต่างกันการปล่อยวางคนอื่นนี่มันปล่อยวางง่าง่ายกว่าปล่อยวางร่างกายเรา ให้คนอยู่ตายกัเราตายเลยจะให้ใครตายก่อนเขาจะตายจากเราไปอย่างนั้นเราก็เพียงแต่ไม่ได้นอนกับเขาเท่านั้นเองแต่อย่างนั้นเรายังมีชีวิตอยู่แต่ตั้งแต่ร่างการของเราเราก็ต้องปล่อยแต่ไม่ได้ให้ข้าวตัวตายเพียงแต่ว่าไม่ให้ไป อย่าไปหวงอย่าไปเสียดายอย่าไปอยากอยู่เกินเวลาถึงเวลามันจะไปได้มันไปเพราะมันต้องไปและมันมีเวลาของมันเราเพียงแต่มีหน้าที่รับรู้เฉยๆนั่นเองเราเป็นเหมือนเจ้าของชั่วก่าวหรือเหมือนกับรถยนต์เราก็รู้ว่ามันทักวันหนึ่งก็ต้องเสียทักวันหนึ่งก็จะขับไม่ได้จะใช้ไม่ได้ เวลานั้นเราก็ต้องปล่อยให้มันไปแต่ใ น, นขณะที่เราอยู่กับมันเราก็อย่าจะกังวลกับมันในรถเราก็กอย่าไปคิดว่าเป็นของเราเกี่ยวเป็นของเพื่อนยืมก็มาไ่จอที่ไหนก็ไม่ต้องห่วงหายก็หายไปแ <c oughs> ค่คิดอย่างนั้นคิดอาจารย์พูดเรื่องอะไรหลายแบบยา ะเอียดกลางอะไรอย่างเี้ี่เเข้าใจแบบละเอียดแตตัวนัคือรักโลกโกรธหลงต้องเริ่มที่ตัวรักตัวโลกตัวอะไรมเรียงแหละคือสามตัวนี้มันนักเกี่ยไปพร้อมกันเนี่ยมันเป็นเป็ น, ป น, ปนสาหายเป็นเป็ น, ปนทีมมันมเริ่มจากความหลงเลยหลงว่าเอ๊ยชุดนี้สวยเนี่ยอยากจะได้แล้วเกิดความโลภขึ้นมาพอสามีแบบว่าเดือนนี้เงินไม่พอใช้แล้ว อย่าซื้อเลยก็ก่องแล้วเปนไปเป็นไปเป็นทนีต้องใช้ปัญญาแกาแ้ว่าเออเราก็มีเยอะแยะแล้วเอามาทำอไมใส่ชุดเก่าๆนี้ใส่ใส่ไม่หมดเลยยออชุดใหม่มาใส่ก็ไม่มีมันก็ไม่ตายพอทีนี้ก็มันก็ตับความโลภได้ใช้ปัญญา ปัญญาเลยบอกว่ารีบซ <Yes ื้อนะตอนมันเซล มีหน่าคนทั่วไปเลยล่ะเซลล์รีบซื้อกคนใหญ่เลยไม่ใชมีใครอยาถามอะไรไหมอ๋อถามเลยเพื่อนที่เข้ามาจากเรียนหมากลับไปแล้วนะโอ้แค่อาาจรยาฮะจะเรี้ยงแค่ยาคนนี้เขาฝากกับใจนะเขาไปเข้าสนามสอบที่ เขาสวหลวงนะคะลูกไปส่งเข้าแตไปไปสืบไปไปไปสำรวจดูก่อนว่าตัวเองเขาก็อยู่ไปได้สามวันแต่แรกเพราะว่าจะไม่ไหวจะกลับเพราะมันมืดมากเลรามันน่ากลัวค่ะหรือแต่เพื่อนคนเขาเตือนเขาว่าไหนไหนมาแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยอยู่ต่อค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ต่ออนนี้ยังอยู่อยู่ใ่ยอยู่ให้เราได้อยู่สามวันแต่ยิ่งเขาตั้งใจว่าจะอยู่ สิบวันแต่เขาอยู่ไปได้สามวันเขาจะกลับแล้วันไม่ไหวมันลึบมากแล้วมันน่ากลัวค่ะตอนนี้ยังไม่ครบสิบวันค่ะแล้วที่น่ได้ค่ะเขาจะออกมาวันที่สามเนี่ะไปได้สักห้าห้าหกวันเนี่ยต้องต้องทำใจต้องกล้ากล้าไม่งั้นไม่กล้าหน้ามันไม่มีโจทย์ให้เราทำต้องหาโจทย์ เมมีโจทย์เราจะได้ต้องต้องใช้สติปัญญาแก้โจทย์ท่านอาจารย์ถามว่าทำไมลูกไม่ไปอยู่ข้าห <laughs> น, น้าไม่ต้องถามเลยรู <laughs> <laughs> ้อยู่แล้วเป็นตายยไงก็ไม่ไปไ <laughs> ปไปอยู่ลูกเราก่อน <laughs> เพระอาจารย์คบอยากให้พอาจารย์ช <spit S 2> ่วยเกณฑ์อ <đ> ธิบายเรื่องสัจจะบารมีหน่อยค่ะว่าอย่างเวลาที่เราตั้งใจอะไรในใจของเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำอะไร แล้วถ้าเราทําไม่ได้ตามนั้นนี่ถือว่าเราผิดสักดิ์เกยรติะคะอผิดศัจดิ์เกียรแม้ต่ว่าเรานึกคิดอะไรต้องระวังคือถ้าเรานึกคิดเพื่อเพื่อจะตั้งเป็นอธิษฐานก็ต้องระวังเช่นอย่ว่าตั้งใจว่าจะจะมามาที่นี่วันนี้เราก็มาคิดกันว่าเราจะมาได้จริงหรือเปล่าถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราจะมาได้เราจะมาแน่แนเราก็ค่อยตั้ ง, งใจว่าวันนี้จะมาวันนี้ ว่าราถ้าเราไม่แน่ใจเดี๋ยวเกิดถึงเวลาเรามาไม่ได้นี่เรามาารันจะเสียสัจยาคือเราอาจจะต้องเวลาเราตั้งใจทําอะไรเนี่ยเราจะต้องอาจจะต้องตั้งเงินไขย <c oughs> อย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงตั้งเงินไขว่าจะนั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพนี้จนกว่ า, าจะตัดชโลถ้ายังไม่ตัดชโลมถึงแม้ว่าเลือดในร่างการนี่จะเหือดแห้งไป <c oughs> ก็จะไม่อยอมเลอือันนี้ยฉันตั้ง ท่านตั้งข้อแม้ของการปฏิบัติของการนั่งของท่านวันนี้ท่านจะรักษาได้ไม่ได้ก็อยู่ที่สัจจะท่านก็รักษาสัจจะได้เพราะท่านไม่ลุกจนกว่าท่านตัตดสัลุวะท่านตัดสัลุวะแล้วท่านถึงค่อยลุกสัจจะก็เหมือนกันให้คํามั่นสัญญากับตัวเราเองแลอเวลาเราให้คำมั่นสัญญากับคนอื่นก็เป็นสัจจะเหมือนกัน เช่นนัดกันว่าจะมาที่นี้พร่งวันนี้ด้วยกันแต่พอถึงเวลาก็เบี้ยวอัไไนนี้ก็เลยไม่มีสัจจะถ้า <š. S 1> ไม่มีสัจจะแล้วก็จะตั้งอะไรจะทําอะไรก็มกักจะไม่ไม่ไม่สมำเร็จทําไม่ได้เพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่มีสัจจะเราก็อย่าไปตั้งเอาแบบกว้างๆไว้เปิดไว้มาว่าอาขอให้ทําได้เท่าที่ทําได้แล้วกันก็ยังดีอย่างนเราจะได้ไม่โกหกตัวเอง คือว่าเราทําแบบที่ค า, า, า, าดหวังเนี้ยนะคะคาดไม่ไม่ไม่ใช้เราคาดหวังหมายถึงว่าไม่ให้กําหนดขอบเขตของการกระทําของเราว่าจะทํากี่ชั่วโมองอย่างเงี้ยเราอวสชก็ขอนั่งไปเรื่อยๆกันนั่งเท่าที่จะนั่งได้แต่อย่างนี้มันก็อย่างนั้นไม่โกหกแต่บางคนที่ทํานี้มันจะนั่งได้เดี๋ยวเดียวบางคนเลยต้องบังทับว่าต้องนั่งให้ให้เทียนมันหมดก่อนเนี้จุดเทียนแาตั้งไว้ ถ้าเทียนไม่ดับเทียนไม่ละลายหายไปหมดก็ยังไม่เลิกนั่งบางคนต้องมีมีกรอบบังคับไว้ถึงจะทําได้แต่บางคนนี้อาจจะไม่ไม่ต้องมีกรอบเขาแบบว่าเขาก็ทำจนเข้าสุดๆก็ ท, ทําได้ทั้งหล่ก็ทําสุดๆของเขาไปอย่างเราแลวก็นิสัยเราก็ไม่เคยไม่ม ส, มมสมเคยตั้งสัจจะในใจเราก็ขอทําไปเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติมาแล้วก็ทํำไปเรื่อยๆ ก็ใจเขาอยากทาไปเรื่อยๆแต่ว่าในที่สุดวความคิดของเราเนี่ยมัน่็จะคิดว่าเราอยากทําแค่ไหนอะไรอย่างนี้ น, นคือไม่ศัจจาเลยค่ะก็แล้วแต่เราไแล้วแต่เราาจะเราจะ<ม>เราจะกําหนดมันขึ้นมาแล้วต่างเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนถ้าเราคิดแบบไม่เปื่อยมันก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นศ เ, เป็นความพื่อฝันอย่างเงี้ยเหมันก็ันแต่ถ้าเราจะต้องกะต้องกําหนดให้มัน ให้เป็นจริงเป็นจังให้ได้เนี่ยมันถึงจะเรียกว่าอธิฐานถ้าเป็นอธิฐานแล้วเราก็ต้องมีสัจจะเช่นปีใหม่คนเรามากักจะตั้งอธิฐานกันว่าปีนี้จะเลิกกินเหล้าเนี่ยเลิกสูบบุหรี่นี่ก็อยู่ที่สัจจะว่าจะรักษารักษาความตั้งใจงนี้ได้หรือเปล่าถ้ามีสัจจะก็จะรักษาได้ถ้าไม่มีสัจจะเดี๋ยวก็พออยากจะกินเหล้าขึ้นมาก็ลืมไปล้ะ นั่นสัจจะมันก็อาจจะเหมาะกับคนบงคนคนที่ที่เขาต้องมีอะไรบังคับขเขาแต่คนบางคนเขาเขาไม่ต้องใช้สัจจะเขาใช้เหตุผลเวลาเขาเขารู้ว่าการกระทําำลัวนี้ไม่ดีเราก็จะพยายามเลี่ยงให้ได้แล้วก็ก็พยายามจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่พยายามแบบคั้งสองครั้งแล้วก็ล้มลาะลายไปเขาก็พยายามทําไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาว่าสําเร็จได้ก็มี อันนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเรื่องตายตัวแล้วแต่จลิตของแต่ละคนนล้ถ้าเกิดว่าอย่างคนตั้งสัจจาแล้วไม่สามารถทำตามสัจจะได้นี่จะผิดอย่ก็เป็นคนที่ล้มเหลว <Okay. S 1> ต่อไปก็เหมือนกับไปไปไ ป, ไปทำสัญญากับใครว่าก็ไม่มีใครก็จะเชื่อเราตอบไปแล้วก็จะไม่เชื่อตัวเราเอง okay. อั่นอย่าไปตั้งดีกว่าถ้าเราตั้งแล้วทำไม่ได้ก็ชู่วตั้งแบบว่าทำได้เรื่อยๆตามไปทำเท่าที่ทำได้ดีกว่าดีกว่าจะนั่งสองชั่วโมงพอนั่งยินเคร่งชั่วโม ง, งก็ลุกแล้วแล้วตั้งไปทำไมตั้งให้มันเสียเวลาเป่า ถ้าหนูมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องที่ว่ายากขึ้นใหญ่ค่ะอนยุมากแลก้วกเจ็บป่วยแล้วก็ทรมานนี้หนูไม่สามารถจะช่วยแกได้ในระเรื่องอะไร ก, ก, ก็พยายามทำใจให้ปล่อยวางว่าเาเป็นลิบากของแกแล้วแกก็ต้องไปเป็นตามคติธรรมดาแต่มันก็อดมีความเศร้าในใจไม่ได้เนาพื่น ทำยังไงแล้วก็จะช่วยทยําบนญยังไงที่จะช่วยเยอะเพราะสติสมาธิของเรามีกําลังไม่พอที่จะหยุดใจของเรา<ะ>ให้ชู่กิเลสไม่ได้คือยังไงก<ะ>ิเลสยังยังมีกําลังมากกว่าจึงสร้างความเศร้าโศกให้แก่ใจของเราดนั<ะ>้นเราต้องเจริญสติให้มากแล้วนั่งสมาธิให้มาก<ะ>เราเรรู้ว่าเราทําอะไรไม่ได้แต่เราก็ยังห้ามใจของเราไม่ได้ เพราะใจของเราไม่มีกำลังที่จะหยุดกิเลสที่สร้างความเศร้าหมองให้กับเราฉนั้นเราต้องทำที่ตัวเราส่วนเขาเน่เราทำเราก็ทำเท่าที่ทำได้เช่นหาหมอหายาอะไรต่างๆให้เขาอย่างเงี้ยส่วนความไม่สบายใจของเรานี้มันอยู่ที่เราเองอยู่ที่เราไม่มีกำลังพอที่จะมาสนับสนุนปัญญา เราเรามีปัญญาเรารู้กันว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่ปัญญาของเรานี่ไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนทำให้เราไม่สามารถยอมรับความจริงนั้น ไ, ได้ที่เหลือ ย, ยังอยากจะทานอยู่ยังอยากจะให้เขาหายยังอยากจะให้เขาสบายร้ายก็อยู่ไปต่ออย่างนี้อันนี้เป็นปัญหาของเราไม่ใช่เป็นปัญหาของเขาเราต้องทํำสมาธิ จะทําสมาธิได้เราก็ต้องมีสตินั้เราต้องใช้พุโทโธทั้งวันเลยอย่าไปคิดเรือย่าไปคิดถึงเขาเลยถ้าเราอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนั้นก็อย่าไปคิดถึงเขาให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเรามีเวลาว่างก็นั่งหลับตาทําใจให้สงบให้ได้ถ้าใจสงบก็จะมีกําลังมันหยุดความอยากที่จะให้เขาหายหรืออยากจะให้เขาสบาย เราก็ใจของเราจะเป็นอุเบกขาก็จะปล่อยเขาไปตามความจริงของเขาเราจะดีขึ้นหรือเร็วลงก็เป็นเรื่องของเขาแต่ใจของเราจะไม่ทุกข์ใจของเราจะเฉยเฉยตอนนี้เราทำใจเฉยกันไม่ได้ใจเราแกว่งไปแกว่งมาแก่ไปหาความความรักความชังความอยากความไม่อยาก มันไม่อยู่ตรงการลางเราต้องใช้สมาธิดึงใจให้อยู่ตรงกลางใช้สติดึงใจไว้ให้อยู่ตรงกลางพอมีสติดึงไว้ให้อยู่ในปัจจุบันพอดูลมหายใจเข้าออกมันก็จะสงบมันก็จะเป็นการเป็นเปัญหาของนักปฏิบัติทั้งหมดนี่อยู่ที่การไม่มีสมาธิถ้ากายได้ได้สมาธิเพียงครั้งเดียวแล้ว สามารถที่จะก้าวหน้าไปทางปฏิบัติได้ที่ไปไม่ถึงไหนกันครับเพราะว่ามันไม่มีสมาธิเหมือนกับนักลบที่ไม่มีสเสบียงออกไปลบแต่ไม่มีอาหารเนี่ยออกไปลบได้วันสองวันก็หมดแรงเนนักปฏิบัติถ้าจิตไม่มีความสุขนี่มันปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวมันก็หวนกลับไปหารูปเสียงกลิ่นแล้วไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันไม่มีความสุขภายในใจของของตัวเอง แต่ถ้าทําใจให้สงบได้เราจะมีความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่หิวแบบความสุขในอดีตความสุขต่างๆที่เคยผ่านมาแล้ว <c oughs> ก็จะสามารถภาวนาต่อไปได้อย่างสบายเนี่ยนี่คือสรัพยนที่เราต้องสะสมให้เกิดขึ้นให้ได้คือความสงบต้องนั่งสมาธิให้มากๆให้นั่งสมาธิได้ก็ต้องฝึกสติให้มากๆ แล้วก็ลังหาอุบายวิธีอดข้าวบ้างไปอยู่ที่ปีกนิเวศไปอยู่ไกลๆจากรูปเสียงกิงนัดจากเรื่องราวต่างๆมันถึงจะทำใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วทีนี้มันมีความสุขแล้วมันไม่คิดอยากจะกลับไปหาไขรมันอยากจะเข้าไปลึกไปเรื่อยอยากจะให้มันสงบไปมากขึ้นจากสิบนาทีเป็นสามสิบจากสามสิบเป็นชั่วโมง จากชั่วอโมองออกจากสมาธิมนแล้วก็จะให้มันสงบตั <c oughs> ก็จะใช้ปัญญารักษาต่อไปจนในที่สุดมันจะสงบทั้งขณะที่นั่งและไม่นั่งถ้ามีปัญญาก็มาเกี่ยวข้องแล้วมันไม่ต้องนั่งก็สงบได้เพราะความไม่สงบมันเกิดจากตัณหาเกิดจากความอยากถ้าเรามีปัญญาเราก็สามารถตัดความอยากได้เพราะปัญญาจะบอกว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมา อย่ากปอยากแล้วไม่อยากแล้วเราก็ไม่ทุกข์พอไม่ทุกข์แล้ใจ ก, ก็จะสดขึ้นมาตอนนี้เราอยากให้เขาไม่ตายไม่ไม่ไ ม, ไมทรมานก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้ปัญญาก็บอกเขาเป็นอย่างนี้เราไปเปลี่ยนแปลงเขาได้หรือเปล่าถ้าไม่เราก็ไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้แล้วเราจะไปอยากให้ให้เขาไปทุกข์ใจเราทําไมไม่เกิดประโยชน์อะไร อย่างเขาเทศก็สงสาร น, นั่นแหละสงสารแล้วเราก็ทุกไปด้วยสงสารก็สงสารได้แต่อย่าไปทุกข์สงสารก็เรื่องของสองสารทปจนสงสารแล้วมันมีความอยากตามมาด้วยอยากให้เ้าหายอยากอยากไม่ให้เขาทรมานไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทําให้เราไม่สบายใจคือความอยากเราต้องหยุดความอยากนี้ แล้วก็สงสารเขาแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้เพราะไม่มีใครช่วยเขาได้ไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนแปลงสภาพที่เขาเป็นอยู่ในขณะ น, นั้นได้แต่ว่าถาทำบนไม่รูก้ก็อุทิตอะไรผมก็สอนไปให้คขาว่าไม่ได้หรอกเขาไม่ได้หรอกว่ บุญอุทิศนี้ก็จะอุทิศได้แต่ผู้ที่ร่วงรับกันแล้วแล้วต้องเป็นพวกที่เป็นขอทานทำกิจแต่ปัญญาหรือพวกที่ไม่มีบุญพ ว, พวกที่ไม่มีสเสบียง<ม>ไม่มีอาหารติดตัวไปก็ต้องเป็นขอทานจะมาคอยมาคอยรับส่วนบุญของผู้ที่ทำบุญอุทิศไปแล้วก็เป็นบุญเพียงเสี้ยวเดียวนิดเดียวเป็นเหมือนอาหารมื้อหนึ่งพอประทังความหิวไปได้หน่อย้ บุญเขาต้องทําเองเขาต้องทําใจเองเขาต้องฝึกนั่งสมาธิเวลาเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปรักอย่าไปชังความเจ็บอย่าไปเกลียดความเจ็บอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายก็จะไม่ทํามานใจถ้ารักความเจ็บมันก็จะมีความสุดใจเวลาเรารักอะไรเราเราได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเรารู้สึกอะไรมีความสุดใจใช่ไหมคนที่ชอบกินพริกเวลาเขาไม่กินพริกเขาทุกขนะ์ไห คนที่ไม่ชอบเกินพริกนี่กินแล้วทุกข์ไหมแยัง เ, เรารู้ว่าเราต้องเจ็บ่ถ้ามันไม่หัดชอบความเจ็บไว้ก่อนนุ่งหน้าซ้อมไว้ก่อนสิเราไปเวลาเจ็บเราจะได้มีความสดเลยเราจะได้ไม่ทุกข์เช่นเดกับความตายเราก็ต้องชอบความตายเพราะเราต้องเราต้องเจอมันทักวันอเองเห็นไหม พอเราชอบแล้วเวลาเราได้พบกับสิ่งที่เราชอบเราก็จะรู้สึกไงเราก็จะดีใ จ, <c oughs> ใจมีความสุขใจจริงๆพระท่านชอบไปหาเสือท่านไปหาเสือเรืงไหนท่านเคลื่อไปท่านจะได้ไปพบกับความตายท่านหัดชอบความตายพอชอบแล้วต่อไปความตายก็จะไม่เป็นปัญหา ชอบความเจ็บแล้วต่อไปความเจ็บก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปอันนี้คนอื่นทาแทนกันไม่ได้เราทําแทนก็ไม่ได้ถ้าเขาไม่ชอบตอนนี้เขาต้องทรมานใจถ้านก็ชอบเขาก็มีความสุขเขาก็นอนอยู่กับความเจ็บนะครับก็มีความสุขได้ครับอย่างเวลาครูบาอาจารย์ท่านเสียบางที่เราทุกแทนท่านแต่ท่านเนเราแต่เราไม่รู้ว่าท่านไม่ทุกข์เลยท่านสบาย นี่เป็นสิ่งที่เราฝึกทําได้แต่เราไม่ทำกันเพราะความเกลียดความเจยบนี่มันรุนแรงมากมันฝังอยู่ในกระดูก เ, เพราะเจ็บเร่งๆโอ้โหไม่เอาละ <c oughs> ไม่ยามไม่ยามะเชิญอย่างมันเลยหัดเชิอย่างมันดูด้วยนั่นเจ็บก็ายามเพิ่งนุกพยายามพุโทโธพุโทโธขึ้นไปให้มันทีอปล่อยให้มันเจ็บไปบอกไม่เป็นไรเจ็บไม่เป็นไรฉันจะอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆก็ละกันพุโทโธพุโทโธเราไป เวลาเรามีรายทำแล้วความเจ็บนั้นจะไม่มาลบกวนใจหรอกเมือเวลาเราดูหนังบางทีปวดฉี่ยังทนนั่งดูได้เพราะมัน <c oughs> มีอะไรให้ดูให้ทำไอความปวดนั้นมันก็เลยไม่ทรมานใจเนะพยายามสึกใจของเราให้เป็นกลางให้ได้ โดยการหัดชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบและหัดเกลียดในสิ่งที่เราชอบใจของเราจะได้กลับเข้าสู่คงการได้ชอบกินอะไรก็อยากไปกินมันไม่ชอบกินอะไรก็หัดกินมันแล้วต่อไปเราจะกินได้ทุกอย่าง <c oughs> วิธีนึงที่จะทําให้เราชอบกินในสิ่งที่เราไม่ชอบก็คืออดข้าวหลายๆวันเนี่ยอะไรกกินได้เวลาหิวมากๆอะไรก็กินได้ไไไดถ้าเราอยากจะนั่งาให้สงบให้ได้เนี่ยเราต้องฝึกสติไปก่อนคือจะนอนสติตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปภายในใจอย่าไปคิดอะไรนอกจากเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดเช่นวันนี้จะต้องไปทําอะไรี่ พอรู้แล้วก็หยุดก็กลับมาพุทโธกับงานที่เรากําลังทําอยู่อบาบน้ำก็พุทโธพุทโธไปแต่งตัวก็พุทโธพุทโธไปให้พุกมีพุทโธอยู่ในใจเราทั้งวันเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงกได้ที่ถ้าเป็นกิจกรรมปกติค่ะค่อนข้างทำได้แต่พอลง น, นั่งเบิกเนี่ยจะไม่ได้แล้วถ้าถ้าทำาได้ถ้าทำพุทโธได้ทั้งวันนเวลานั่งจะทําได้ ให้ทำให้มันได้ก่อนให้มีพุทโธอยู่ในใจทั้งวันก็ได้ก่อนแล้วมันจะมาสงบได้หรืถ้าว่าเราสามารถทำอะไรทั้งวันโดยไม่คิดอะไรก็ได้ให้รู้เฉยๆให้รู้เก็อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่เช่นเรากําลังอ่านหนังสือก็ใหการอย่างนังสอย่างเดียวไม่จะคิดเรื่องอื่นการับประทานอาหารก็ให้อยู่กับงารรับประทานอาหารอย่างเดียวกําลังทําอะไรก็ให้อยู่กับงานนั้นไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่น อย่เวลานั่งก็จะสงบได้แต่ถ้าเราทําอย ไ, ไปแล้วคิดไปด้วยเนี่ยมันจะเวลานั่งสมาธิมันก็จะเป็นแบบเดียวมันก็จะไม่หยุดคิดถ้ามันไม่หยุดคิดมันก็จะสงบไม่ได้เราต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนที่เราจะไปนั่งคือต้องตัดกาลังมันไว้ตลอดวันเป็นเหมือนกับไอ้ไอ้ของที่เขาทาควาทถนนอะไรเนี่ยตามแม่ลดยิ่งเดีว เราแล้วเวียนมาเรื่อมันพอถึงไน้ที่กันน้นกั้นขางถนนแล้มันก็ต้องชะลอถ้าไม่ชะลอเดี๋ยวเราก็จะพังเดี๋ยวเราก็ต้องมีพุโทโธไวคอยชะลอความคิดมราอยู่เรื่อยๆแล้วพอเวลาเรานั่นสมาธิอย่างก็จะมีโอกาสที่จะสงบได้ง่ายกว่าที่ไม่มีพุโทโธอยู่ทั้งวันเลยไม่มีสติอยู่เลยทั้งวันเพราะสตินี่เป็นตัวที่จะทําให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ ก่อนที่จะเดินได้ต้องยืนให้ได้ก่อนการยืนนี่เป็นเหมือนการจเจริญสติการเดินนี่เป็นเหมือนการทำสมาธิส่วนการวิ่งนี่เหมือนการจเจริญปัญญาตอนนี้เรากำลังคลานอยู่ <c oughs> ดูคลางแล้วจะลุกขึ้นเดิน <c oughs> นอนเลไม่ได้ต้องลุกขึ้นเดินก่อนต้องลุกขึ้นยืนก่อนยืนให้ได้ก่อนพอยืนได้แล้วต่อไปก็จะเดินได้ <c oughs> อันนี้ฝึกสติให้มากมาก เอามาทั้งวันเลยคุดโทรไปทั้งวันเลยหรือให้อยู่กับปัจจุบันทั้งวันอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่ในปัจจุบันอดีตไม่ไปอนาคตไม่ไปให้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นเองแล้วเวลานั่งจะให้อยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมอยู่กับคุดโทรศมันก็จะอยู่กับคุดโทรมันจะไม่คิดอะไร ที่ 7-12 ดูสองจะไปอยู่ควัมเกีืยวผ่านที น, น, ะะนี้เวลากลัวเนี่ยนะคะควรจะอยู่กับปุถุทอนหรือว่าควรจะดูความกลวัวแล้วแต่รเราทำอะไรบ้างก็ทำเลยม่เป็นอาวุธถ้าอยู่ถ้าจะดูความกลวัวก็ต้องต้องพิจารณาว่าเรากลัวอะไร <c oughs> แล้วก็มองที่จิต ท, ที่ก ล, วลัวใช่ถามว่ากลัวอะไรกลัวตายแลย้วมันเม่ตา ย, ยืร่างกา ย, ยอ่างกายอยานี้เรียกปัญญา ถ้าพิจารณาด้วปัญญาได้ก็พิจารณาไปถ้าพิจารณาไม่ได้กลัวมากๆก็พุทโธพุทโธไปอาจารย์ครับบางครั้งเนี่ยมีค่ะที่ใจมันกาลังสบายๆอารมณ์เบาๆใช่ไหมคะที่มัจะมีภาพบางอย่างเกิดขึ้นในใจเราซึ่งเป็นภาพที่ชัดเจนมากแล้วต่อมาไม่นานภาพเหล่ า, านี้เกิดขึ้น จริงตามความเป็นจริงที่เรารู้จักใจเราตรงเนี้เราควรจะใช้ภาพนั้นมาพิจารณาอย่างไรเพื่อให้เกิดธรรมที่มันจะเดินขึ้นนะคะภาพนั้นก็แล้วแต่มัวเป็นภาพที่เกี่ยวกับตายรักหรือเปล่าถ้าไม่เกี่ยวกับตายรักก็ไม่เป็นประโยชน์กับการดับความทุกข์ถ้าเห็นภาพเรานอนตายอย่างเนี้เกี่ยวกับตายรักแล้วก็าภาพนั้นมาพิจารณาเรื่รว่าเราต้องนอนตายอย่างนี้แน่นอน เราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจว้รับของความจริงนี้ซ้อมไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นภาพเรื่องของโลกๆอะคะเองอันนี้ก <c oughs> ็อย่าป อ, อย่าไปอย่าไปสนใจเพราะว่าเป็นมันจะทําำพาจะนำให้เราไปสู่กิเลสตัณหาทําให้เกิดตัณหาขึ้น ม, <c oughs> มันไม่ได้ทำให้เราปล่อยวางไม่ได้ทให้เราดับความอยากต่างๆ แต่ภาพตรงนั้นมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถรู้คือเหตุการณ์ที่มันจะขึ้นจากนี้ไปนะครัอาก็ไม่เป็นไรรู้ก็รู้ไม่รู้ก็เรารเราก็รู้กันอยู่ทุกคนวนะ่าทุกคนต้องตายอยู่แล้วมในนี้มันรู้อะไรมากไปก่อนนี้เลยไม่มีอะไรสําคัญก่อนนี้น้ําจะท่วมพายุจะมาหรือไม่มันก็ไม่สําคัญเพราะยังไงคนก็ตายอยู่ดีน้ําจะไ ม, ทม่ท่วมคนก็ตายท่วมคนก็ตายพายุจะมาหรือไม่มาคนก็ตายอยู่ ฉันอใหรู้รู้รู้ที่ความตายอย่างเดียวก็พอแล้วในะคะที่บางอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าคนนี้คือไม่ออายุแค่30สิบใช่ไหมคะแต่ น, นี้เราเดินสวนกันมาเราบอเอ้ยนี่มันใกล้จะตายนะซึ่งโดยธรรมชาติโดยทั่วทั่วไปของคนทั้งโลกก็เออคนอายุสามก็ยังไม่น่านจะตายเลยความเป็นผลทั้ทงโลกใช่ไหมคะแต่าทางธรรมมันเปิดไปได้ทั้งนั้นแต่ไม่นายคนก็ตายจริงๆนะคะพอตายก็เรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเรา เรารู้ก็เรืเร่องของเราที่เราดูแต่เร่อความตายก็ไม่ของเขาทำไมเราไม่ถามตัวเราแล้วเมื่อไหร่เราจะตายได้ลูกเขาจะเดรู้ไม่รู้ส่วนู้นไงตัวเองถามตัวเองดูสิถามได้เนี่ยถามได้ใช่ไหถามได้มันเคยบอกอยู่แต่ทีนี้เป็นเรื่องรอเวลาถึงตรงนั้นคนถึงตายไม่สำคัญถ้าก่อนเราตายแต่นี้มีความสูว่าเรารู้ของเราวป็จริงแตนี่มันยัต้องรอเวลาอีกนานมีความรเอยังประมาณอยู่นะอย่างนี้ มันจะนานมนาไม่สำคัญสำคัญคว่าตอนนี้เราเราตรงได้หรือเปล่ปาเรายอมรักมันได้หรือเปล่ปาต้องอาตรงนั้นแต่ก็พยายามบอกตัวเองเสมอ น, นะคะ่ะที่ออกจากบ้านเด็กค่ำๆเช้าๆแต่เช้ า, ชานี้นก็พี่บอกว่เาเราอาจจะไม้กลับมาที่อื่นอาจจะตายก็ได้หรือไม่ทีกำหนดพูดโทนไปเรื่อยๆนึกได้กับพูดโทนเรยอย่างนี้นะคะนั่นแหละพุทธาสอนแล้วถึงความตายทุกลมหายใจเขา้าเราอาจจะตายตอนนี้ก็ได้ เมื่อไหรก็ได้เราพร้อมหรือยังเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าพร้อมหรือยังปล่อยได้หรือเปล่าปล่อยวางร่างกายให้เขาตายไปตามความเมื่อถึงเวลาของเําเราปล่อยให้เขาตายได้หรือเปล่าเราจะทุกข์กับเขาหรือเปล่าอันนี้คือเป็นโจทย์ขั้งหลายเป็นโจทย์ตรงนี้บางท่านมีความรู้ว่ามันดูเหมือนจะง่ายค่ะดูเหมือนจะง่ายแต่คือเราคิดเราถ้าถึงถึงตรงจทย์นั้นจริงๆเราอาจจะทำใจได้แต่ นั่นคือความคาดหมายว่าเราจะทําใจได้จะถึงวันเดินจริงๆก็ไม่รู้มันจะยังไงนะครับไปทดสอบดูไงก็มีที่มีสนามสอบอพระที่านไปอยู่ในป่าไปเดินหาเสือกันเองเพื่อท่านจะไปหาไปทดสอบดูว่าท่านทําได้หรือเปล่า อ, ลอย่าไปสนใจเลยถ้าเราเห็นยังไงจากการนั่งก็ดีหรือไม่นั่งก็ดี ถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องตายรักแล้วมันไม่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติเพื่อบรรลุมักคผลนิพพานให้คิดอย่างนี้แล้เห็นของสวยของงามก็จะเกิดความอยากได้ขึ้นมานเห็ น, เ ห, นเห็นความไม่สวยไม่งามก็เกิดความเกลียดความชังขึ้นมาให้เห็นความเสื่อมดีกว่าเห็นว่าทุกอย่างจะต้องเสื่อมหมดไปเช่นเห็นว่ากรุงเทพ น, นี้น้ำท่วมหมดแล้วคนอยู่ไม่ได้กันก พ, พยพกันหมดเลย เห็นอย่างนี้ดีกว่าจะ ไ, ได้เตรียมตัวเตรียมใจนะรับกับเหตุการณ์ถ้าเราเชื่อว่าความสิ่งที่เราเห็นนี่มันแม่นนะ mm hmm. เรายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นนี่มันแม่นหรือไม่แม่นเราก็ไม่รู้บางทีก็แม่นบางทีก็ไม่แม่นเรื่องพวกนี้ไม่สําคัญนะสําคัญอยู่ที่ว่าเรารับความแก่ความเจ็บความตายของเราได้หรือเปล่าหรือ ความแก่ความเจ็บความตายของคนที่เรารักได้หรือเปล่าทั้งนี้ที่เป็นตัวปัญหาเพราะตัวปัญหาก็คือความทุกข์ใจความไม่สบายใจเพราะเรารับไม่ได้และรับความแก่ความเจ็บความตายของคนที่เรารักไม่ได้ทั้งน้แต่เราต้องยอมรับความจริงให้ได้เพราะมันมันไม่มีใครฝืนได้ถ้าเรารับได้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะเฉ ย, เฉย นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้ใจเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างให้ใจเป็นกลางเป็น ใ, ใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงให้ปล่อยวางให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเรามีมีมีส่วนที่จะทําให้ดีหน้าก็ทําไปไม่ห้ามแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ดีก่อนเดิมก็ช่วยไม่ได้ ร่างกายเราที่ไม่สบายแล้วก็รักษาได้เราก็รักษาไปแต่ใจของเราก็ต้องเป็นการคือหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรอย่นี้ถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์เราไม่ได้รักษาร่างกายเพื่อให้ใจเราทุกข์เรารักษาร่างกายก็เพื่อให้มันอยู่ต่อไปได้ ถ้ามันอยู่ได้ก็อยู่ไปแต่ถ้าเราต้องไปทุกกับการรักษาเราก็อย่าไปแสดงว่าเรายังไม่ยอมปล่อยวางเรายังอยากจะให้หายอยู่คือต้องอยากไปทุกกับมันรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้บางคนก็ถามว่าเอ้การรักษานี่แสดงว่าเรายังยึดติดอยู่กับร่างกายหรือเปล่ามันก็ไม่นะ่าคนที่เขารักษาแต่ก็ไม่ยึดติดก็มี ท่ครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีท่านการักษาร่างกายท่านเมื่อท่านเห็นว่ามันยังรักษาได้ท่านก็นรักษาไปแต่ใจของท่านไม่ได้ทุกข์อะแล้วรักษาแล้วไม่รักษาใจท่านก็เท่าเดิมแต่คนที่ไม่แน่ใจในตัวเองทีก็ถามว่าการรักษาเรานี่แสดงว่าเรายังอยากอยากให้มันหายหรือเปล่ายัางทุกข์ <S S S S แล้วก็เข้อถามมาแล้วก็บอกให้ดูที่ที่ใจของเราเราทุกข์หรือเปล่า ถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเรายังมีความอยากยังอยากให้หายยังไม่อยากให้ตายอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ทุกข์แล้วก็เราก็รักษาไปหายก็ดีไม่หายก็ดีเท่ากันคือถ้าไม่หายมันก็ใช้นางกายทําประโยชน์ต่อไปได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทําเพื่อตอนอยู่แล้วทําประโยชน์ก็เพื่อคนอื่นต่อไปสำหรับตนเองนี้ประโยชน์ถึงพร้อมแล้ว ยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมแล้วด้วยความไม่ประมาท <c oughs> เมื่อประโยชน์ตนพร้อมแล้วก็ถ้อยไปยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเป็นเป็นขั้นต่อไปพระเจ้าทรงสอนให้พิจารณาความตายอยู่เสมอเพื่อเตือนว่าสังขารเป็นเขาไม่เที่ยงมีเกินเกิดต้องมีการดับไปจงจงยังประโยชน์ตนน่าประโยชน์ท่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอดในหน้าพี่ของเรา นี่เป็นพระปชิโมโวา่าเป็นคาสอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าให้เรายังประโยชน์ให้กับตัวเราก่อนคือรักษาใจของเราให้ไม่ให้ทุกข์กับอะไรก่อนเมื่อใจเราไม่ทุกข์แล้วเราจะทำอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้ไม่เป็นปัญหาเไรถ้าใจเรายัางทุกข์อยู่ทำก็เป็นทุกข์ไม่ทำก็เป็นทุกข์อย่างนี้นที่<น>จะแก้ยังไงเราในกรีทีว่ว่า บางครั้งเนี่ยเกดเรารู้ว่ากิเลสมันหลอกเราเนาะให้หงุดหงิดหงุดหงิดแค่นี่ตัวเราเองยังไม่รอยว่าเราไม่มีสติสมาธิหยุดมันไงเราไม่ฝึกสติกันพระเจ้าบอกสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหมดสตินี้เป็นพ่อแม่ของสมาธิของปัญญาของวิมุตติของมรรคนิทานถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิไม่เกิดไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เป็นปัญญา เมื่อปัญญาไม่เป็นปัญญาวิมุตติก็ไม่ปรากฏขึ้นมายังต้องกลับมาที่กอไก่เพราะขายก่อนชอบข้ามขั้นกันเหลือเกินชอบไปขั้นปัญญากันแต่พอถึงเวลาก็ใช้ปัญญาไม่ได้ปัญญาเวลาก็เป็นเหมือนมีดที่ยังไม่ได้รับยังไม่คมมันชื่อฟันอะไรก็ไม่ขาด้องมารับก่อนเลยต้องเข้าสมาธิก่อนการเข้าสมาธินี่เป็นเหมือนการรับปัญญา รับมีให้มันแหลมคมมันมีสมาธิแล้วนี่พอปัญญาว่าอะไรไม่ดีฟันป๊บขาดเลยกิเลสมาพมันป๊อบขาดพันป๊อบขาดไปเลยเพราะมันเห็นในใจว่ากิเลสมันทําให้เราทุกข์แล้วเราจะเก็บมันไว <c oughs> ้ทําไมพอปัญญาปักใจมันทุกข์ขึ้นมามันจะเห็น ท, ทันทีถ้าจิตสงบมันจะกระเพื่อมขึ้นมาเหมือนปลาที่มันถูดขึ้นมาจากใน น, น้ําที่นิ่งนี้แต่ถ้าน้ำไม่นิ่งปลามันถูดขึ้นมาบางทีก็ไม่เห็นเพราะคลื่นมันบังไว้ ใจของวเราแยกแยะไม่ออกว่าอะไรเป็นเกเลรอะไรไม่เป็นกิเลรมักจะเห็นผิดเป็นชอบเห็นกิเลรว่าเป็นเป็นธรรมเห็นว่าความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นธรรมเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เลยอยากกันใหญ่พออยากเราก็ทุกข์กันใหญ่เพราะนั่นต้องกลับมาที่สติกองกายของข่ายของการปฏิบัติก็ที่สตินี่แหละ สติไว้ตั like, ้งแต่ตื่นขึ้นมาดึงใจไว้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็ได้ให้อยู่กับพุทโธก็ได้ถ้าอยู่กับเนื้อกับตัวก็ให้รู้เฉยๆกําลังทําอะไรกับร่างกายก็ให้รู้อยู่ว่ากําลังทําอย่างนั้นกําลังอาบน้ําก็ให้รู้กําลังอาบน้ำกำลังรับประทานอาหารก็ให้รู้ว่ากําลังรับประทานอาหารพระเวลาท่านฉันท่านนึงไม่คุยกันไงเพราะถ้าคุยกันแล้วมันแสดงว่ามันไม่มันไม่รู้อยู่กับการฉันแล้ว มันไปวูมแต่งไปคิดเรื่องสนทนากันแล้วเวลานักปฏิบัติรับประทานอาหารด้วยฉันนีจะไม่ไม่คุยกันตังคุณตาง ม, มีสติจดจอ่ออยู่กับการฉันอาหารเข้าปากก็รู้กําลังเคี้ยวก็รู้กำลังกลืนก็รู้องให้รู้อยู่ทุกขั้นตอนอย่างนี้ไม่ใช่เคี้ยวไปกลืนไปแล้วไปคิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ไปแสดงว่าไม่มีสติครับพอมานั่งสมาธิให้ดูลงก็ดู ดูได้สองทีก็ไปแล้วคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันก็ไม่สงบแต่ถ้าให้ดูลมแล้วอยู่กับลมไปเนียห้านาทีก็สงบได้ถ้าอยู่กับลมอย่างเดียวไม่ไปคิดอะไรมันก็จะสงบดัง <c oughs> นั้นพยายามฝึกสติให้ได้ถ้ามีสติแล้วทุกอย่างจะตามมาอย่างง่ายดายสมาธิก็จะมาพอ <c oughs> มีสมาธิใช้ปัญญาก็จะตัดกิเลสได้ <c oughs> ก็จะบรรลุทำขั้นต่างๆขึ้นไปได้อย่างอย่างสบายอย่างรวดเร็วสิ่งที่พวเราถากันมนากก็คือสตินี่อแล้วก็สมาธิลองต่อมาพอไม่มีสมาธิแล้วมันก็เลยหิวกับอารมณ์ต่างๆหิวกับรูปเสียงกล <c oughs> ิ่นลันนั่งสมาธิได้สิบนาทีก็อยากจะไปเปิดตู้เย็นนะขอแห้งแนละ้ว <c oughs> <c oughs> แต่มันหิวมันไม่เคยสงบอกมืนก่อน เวลาหิ ว, วต้องเฝยมันอย่าไปทําตามความหิวบอกยังไม่ถึงเวลาไม่ตายหรอกร่างกายไม่ได้ดื่มน้ําตอนนี้ไม่ตายหรอกนําต่อไปนั่งให้มันสงบให้ได้พอสงบแล้วมันก็จะหายหิวเอง <c oughs> ขั้นตอนนี้ขอให้เจริญสติให้มากให้ทําตั้งแต่ตื่นขึ้นไปจนหลับเลยให้ควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องต่างๆ ถ้าจะคิดเรื่องอะไรก็หยุดการกระทำของก่อนเช่นเราก็เราจะวางแผนที่ว่าวันนี้จะไปทําอะไรแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วนั่งคิดให้พอคิดเสร็จแล้วเราก็ยกไปทําสิ่งที่เราจะทําต่อไปเวลาเราทําแล้วก็หยุดคิดแล้วก็ถ้ามันจะคิดก็ต้องใช้พุโทโธกัมาไว้หรือหนึ่งไว้ปิดเอาไว้ใช้ถ้าเราคิดอยู่แต่พุโทโธพุธโทโธความคิดอื่นก็คิดไม่ได้พ่าพุโทโธก็เป็นความคิดอย่างหนึ่ง แต่เป็นความคิดที่จะไม่ทำให้ใจฟุ้งซ่านละทำให้ใจสงบได้ยังต้องมาที่สติแล้วสมาธิแล้วปัญญาแล้วถึงค่อยวิมุติแล้วค่อยหยุดพ้นค่อยบรรลุมกกคผลนิพพานก่อนที่จะมีสติสมาธิก็ต้องทำทานรักษาศีลควบคู่ไปด้วย สติต้องมีในทุกแหน่งทำทางก็ต้องมีสติรักษาสิ่ก็ต้องมีสติพอนะวันนีุ้มควรใจเวลาให้พอ